อาจารย์ครับการดำเนรายการครับผมจรังพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์วันนี้เสียงเสียงดีเลยครับพระอาจารย์เปลี่นเดินไหมครับครับเปลนเหมือนเดิมแล้วครับพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยยี่สิบแปดครับพระอาจารย์ครับก่อเข้ารายการขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าวันนี้คนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมก็เท่าเดิมประมาณสี่ร้อย็สิบแปด วันอาทิตย์ครับแล้วก็ออนไลน์ใส่บาทจากทางบ้านเท่าไหร่ครับอาจารย์ทางบ้านประมาณสัก400น้อยยี่สิบสี่ร้อยอ๋อก็ไม่ใช่200ร้อสองร้อยกว่าถ้า400ร้จะเป็นวันพระทุองก่ขอขอใครวันสองร้อกว่าครั บ, <200. S 1> รบแล้วตอนบ่ายคนฟังธรรมเยอะไหมครับพอาจารย์ครับวันนี้ประมาณ 100... 1 6 0อยหกสิบร้ยห้าส ครับเดยเงินทั้หมดก็เจ็บน้อยกว่าตอนนี้เจ็ดหลอยกว่าครับผมตอนนี้ทุกช่องทางของเราตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งพันคนแลครับพระอาจารย์ครับ mm hmm. วันนี้ตั้งชื่อหัวข้อมหาสติปัฏฐานสูตรครับพระอาจารย์เพราะว่าผมผ ม, ผมรู้ว่าพระอาจารย์ใช้บทนี้ตั้งแต่เป็นคารวะครับพระอาจารย์จน mm hmm. จนไปปะได้อบบวชครับก็เลยอยากขอ ทราบถึงวิธีการปฏิบัติและความหมายของมหาสติปฐานสูตรครับอาจารย์ครับกับขอความเมตตาครับผมคือเบื้องนนต้น้องเข้าใจว่าพระสูตรนี้ส่งแสดงให้กับพระภิกษุนักบวดผู้ที่ไม่มีอาชีพอย่างอื่นไม่มีงานต้องทำมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้เต็มร้อยเพราะการปฏิบัติสติปัฏฐานนี่แบ่งแบ่ง เป็นสมขั้นตอนของการปฏิบัติในสติปัฏฐานส่วนนี้จะมีสามวิชาง่ายๆวิชาแรกก็คือวิชาเจริญสติเมื่อเจริญสติแ ล, แล้วก็ไปเน่าสมาธิเพื่อเจอริอญอุเบกขาหรฌานเรืออัปปนาสมาธิแล้วเมื่อได้อุปปนาอัปปนาสมาธิได้อุเบกขาแล้วก็ไปเจริญปัญญาพิจารณาดูธรรมชาติของ สิ่งที่ใจมาทุกข์ด้วยใจทุกข์กับร่างกายใจทุกข์กับเวทนาน่นใจทุกข์กับอารมณ์ของจิตที่แปรปรวนอันนี้คือแบ่งเป็นสาวิชาด้วยกันไม่ได้ ท, ทําทีเดียวพร้อมหมดบางคนคิดว่าต้องปฏิบัติทีเดียวพร้อมหมดททั้งกายเวทนาจิตก็เลยสับสนกันไปแล้วตอนนี้ต้องต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน เพราะถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถควบคุมใจได้วป้าหมายของการปฏิบัตินี้คือควบคุมใจให้นิ่งในสมองไม่ให้ตื่นเต้นตกใจไม่ให้หวาดกลัวไ ม, ไม่ตกกำลังกับอะไรต่างๆนั่นคือไม่ใทุกกับอะไรการที่จะควบคุมใจไม่ให้ทุกกับอะไรได้ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือชิ้นแรกก่อนเพราะฉนั้นในพระสูตรท่านจะสอนให้จเจริญ สติอยู่กับียาบุตรของร่างกายทุกียาบุตรของการเคลื่อนไหวตั้งแต่เติ่งขึ้นมาจนกระทั่งหลับให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทําอะไรก็ตามใจต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวละไม่ให้ใจไปคิดถึงนนคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนว่าเป็นเพราไม่มีแรงเหตุต้องคิด ไม่มีงานต้องทําไม่มีครอบครัวต้องคอยคำนวณในงานต้องคอยคำนวณมีแต่หน้าที่อย่างเดียวก็คือมาควบคุมใจด้วยสติยิท่านในพระสูตทานจะสอนให้มีสติกายาตาสติเพื่อให้มีสติดูอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเวลาทําอะไรก็ให้อยู่กับร่างกายไม่ใช่ทํา ป่อยให้่างกายทำอะไรนะใจก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเวลาที่เรารับประทานอาหารนี่เราไม่ได้อยู่การรับประทานอาหารเพียอย่างเดียวนะหลักข้าเข้าปากวันเดียวคิดวันเดียวจะต้องไปเจอใครกาตามหลักความเป็นจริงของการปฏิบัตินี้ต้องอยู่การรับประทานอาหารเพียอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นตอนนี้ในขณะที่ทําการรับประทานอาหาร อันนี้คือการจเจริสติเพื่อให้เกิดเป็นสัมปะชญะคือมีความซึ้มมีความต่อเนื่องมีสติตลอดเวลาไม่พัาไม่เผลอพอเรามีสตินะเราก็จะมีกํำลังสติอันจะก็จะมีกํำลังมานั่งสมาธิมาดูลมหายใจเขา้าอออันนี้ก็จะมาสู่ขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ก็จะปฏิบัติควบควู่กันไปสลับกันไป ดูจว่าเป็นการปฏิบัติสติตลอดทั้งสองขั้นกันได้เพราะเวลามานั่งสมาธิก็ต้องยังก็ต้องใช้สติเหมือนเดิมแต่ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าเพราะตอนที่มานั่งสมาธิน่่งกายไม่เคลื่อนไหวนะร่างกายไม่ได้ทำอะไรใจยังต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดก็ต้องผูกใจไว้กับลมหายใจเข้าอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออก สติก็คือการระลึกรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจท่านสอนให้ดูที่ปลายจ ม, มูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพราะว่าการตามลมเข้าตามลมออกนี้เป็นการทํางานของใจใจจะไม่นิ่งถ้าใจจะนิ่งใ จ, จต้องอยู่จุดเดียวรู้อยู่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจ ม, มูกเวลาลมเข้าก็จะสัมผัสที่ปลายจ ม, มูก เวลาลมออกก็จะสมบัติที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปเวลาหายใจเข้าไม่ต้องตามลมออกมาเวลาที่หายใจออกให้อยู่ที่จุดเดียวเพื่อที่จะทําให้ใจนิ่งให้สงบในขณะที่ทํานี้ก็ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงวาเหนือแล้วไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือว่าถ้ามีอะไรมาแทรกเข้ามาอาจจะมีความคิดมาชวนเราคิดก็ไดนะ้ ช่วยแนละ้วคิดถึงคนนั้นคนนี้พอเราเผลอก็คิดตามไปเลยเรื่อง้เรื่องนี้ว่าไปอันนี้ก็ไม่ได้นะไม่แสดงว่าไม่มีสติอยู่ขอกับลมหรือว่ามีอะไรปรากฏขึ้นมาเป็นภาพเป็นเป็นเสียงเป็นอะไรก็ไม่ให้ไปตามไม่ไปสนใจให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าอยู่ได้อย่างต่อเ น, นื่องใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ก็จะถึงจุดที่มันจะนิ่งสงบ แล้วความคิดก็หยุดคิดใจเขาไม่ต้องทำอะไรลงก็หายไปก็ปล่อยลงได้อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบของจิตที่เราเรียกว่าคณิก า, าปนาสมาธิหรือฌานสีนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เนว่าความสุขทังปุน เมื่อถ้าเรามีความสุขในใจนะเราจะสามารถใช้ปัญญาเวลาใช้ปัญญาเมื่อราพิจารณาสิ่งที่เกิดให้ความสุขกับเราเมื่อเป็นทุกข์เราก็จะนั่นน่นนั่นหาสิ่งนั้นมาให้ความสุข ข, ของเราได้เช่มรูปเสียงกลิ่นน้ำห้ารสสัมสเสินสสรรรที่เมื่อก่อนนี้ตอนที่เรายังไม่มีสมาธินี้เราจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่พอเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นความสุขแบบชั่วคราว มีจรรย์ก็มีเสื่อมได้มีกอดก็มีดักได้เวลามันเสื่อมไม่ว่ามันดับมันจะทําให้เราเศร้าถ้าเราไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อเราพิจารณาด้วยปัญญาดูแล ว, ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นทุกข์อย่าไปหามันอย่าไปอาศัยมันให้ความสุขของเราอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่ได้จากความสงบดีกว่า้าเราก็จะอยู่ได้เพราะเรามีทางเลือกที่ดีกว่า ทนี้ก็คือความสมความสุขที่เกิดจากความสมุบของใจมันดีกวาความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายอนนี้คือขั้นหลังจากท้าได้สมาธิแล้วแล้วเราไปขั้นปัญญาในก่อนจะไปึงขั้นปัญญานี้เราควรจะให้ชานาญในทางสมาธิก่อนสามารถทมให้จิตสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้เพราะว่าเวลาที่เราจะไปปัญญา ที่บางทีมันจะทําให้จิตฟุ้งซ่านได้คิดมากเกินไปคิดจกสิเกเรมันหลอกให้ไปคิ ด, คดจนกลายเป็นอารมณ์ว่ามุ่งขวขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีส ต, ติในระดับสมาธิปฏิจจาไม่สามารถหยุดความฟุงซ่านนี้ได้แต่ถ้ามีสมาธิมีส ต, ติระดับสมาธิพอรู้ว่าจิตดริ่มฟุ้งแล้เริ่มไม่พิจนารณานด้วยเหตุด้วยผลนะก็หยุดมันได้แล้วกลับเข้ามาพักในสมาธิอีก การเจริญปัญญานี่มันต้องสลับกับการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาเหมือนกับการใช้ความคิดทํางานคิดไปแล้วก็าาอาจจะฟุง้งอาจจะอาจจะละ้าอาจจะเหนื่อยได้แล้วคิดไม่ได้เห็นไม่ได้ผลก็หยุดคิดสะก่อนนะ้องกาัมาพักในสมาธิถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราจะไม่มีที่พักนะมันถ้าเราไม่มีบ้านที่พักผ่อนนลับนอนเวลาเราทํางานกลับมาเราไม่ต้องไปพักผ่อนที่ไหน เราต้องสร้างบ้านให้ก่อนสรงที่อยู่อาศัยให้ก่อนเวลาเราทำงานเสร็จเราเหนื่อยเรากลับมาบ้านมานะ้ำนับท่าเราประทานอาหารพักผนหลับนอนสมาธิเนเหมือนบ้านของใจส่วนปัญญาเป็นที่ทํางานของใจไป ห, หาความรู้ไปเรียนจากตามมหาลัยไงตามข้าเรียนต่างๆอันนี้คือสามขั้นตอน การตั้ากจะดันสติให้ได้ก่อนให้มีสติสำปัญญะไม่คังไม่หลงแค่จะจเป็นท่านั้นได้แล้วก็มาทำสมาธิได้ด้านห้านาทีสที่กกอจินสได้แล้วจะอยู่ได้นานปัญาปัญญาสมาธิพอเราออกมาจากสมาธิใหม่ๆถ้าเพิ่งเพิ่งได้สมาธิใหม่ๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทำปัญญาพออยากสมาธินั้นก็จริญสติตอ ทำสติอยู่สมาที่ไปกระทั่งเกิดความชํนานาญมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะทําให้จิตสงบได้ทุกเวลาที่เราตทนมันก็ได้แล้วทีนั้นขั้นต่อไปก็คือเวลาเราออกจากสมาธิมานเราก็มาเจริญปัญญาเราไม่เจริญปัญญาในขณะที่เราเข้าสมาธิเราเข้าสมาธิเพื่อพักผ่อนจิตใจเื่อสร้างพลังให้กับใจถ้าเราไปพิจารณานใจก็จะไม่มีความสงบ ใจก็ยังไม่มีกาลังเลยนะเ อ, อกมาต้องมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาความยาต่างๆยังไม่มีกาลังสู้กับมันได้ในเวลาเราอยู่ในสมาธินี้เราไม่พิจารณาอะไรเราพยายามประคับประคองใจให้สงบให้นานที่สุดด้วยสติไปเรื่อยๆพอจากสมาธิมาแล้วถ้าเราชำนาญสมาธิแล้วเราก็มาทางปัญญาต่อปัญญาก็คือมาศึกษาดู ธรรมชาติของสิ่งที่ใจเราอย่างไปทุกข์อยู่นามภาพวิสุทธินี้ก็ท่านสละลาหยุสละเสริญศุขไปหมดนะท่านไม่ตนะ้องพิจารณาครับท่านรู้แล้วว่าลาหยุดเสริญศุขนี่มันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขท่านเดี๋ยออกบวชนะสละราม ส, ส, ม ส, สะสมทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยาพยพต่างๆไปเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาแนละ้วว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เทีย่ยงมันมีเกิด ม, มีดับมีเจริญมีเสือ่อมมันเป็นดน่าตา เราควคุมบังคับไปไม่ได้งั้นในสติประธานส่วนนี้ท่านยังไม่ได้พูดถึงเรื่อ ง, า ง, อางราเยศเสรเสรสุเพราะว่าท่านสลาหมดแล้วงั้นทําทานหมดแล้วเนี่ยทําทานหมดแล้วทานศีลภาว่ะสำหรับรน้าบนวะ น, นี่ก็ทานก็ไม่ต้องทนะอํานะเหลือแต่ศีลกับภาวนารักษาศีลให้บรยสุดธิ์ <c oughs> แล้วก็มาภาวนาภาวนาก็มีสาตัวสติสมาธิและปัญญา <c oughs> พอเราได้สติแล้วนั่สมาธิจิตดวมเป็นอัปปนาจะมาแล้วเข้าออกได้ทุกเวลาที่เราต้องการทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้ก็มีอยู่สองขั้นขั้นแรกคือ ก, การทําการมากการเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงขั้าตัวกลางมันก็ไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาจนทั้งถึงตายนี้มันเปลี่ยนไป เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันเป็นภาวะที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เป็นวงจรที่เราไม่สามารถที่จะมายับยั้งมือนให้มันให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้นี่คือขั้นตอนแรกสนใจให้ให้รู้ความจริงว่าร่างกายนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องแก่เจ็บตายนี่เป็นการทําการบ้านก่อนเป็นทฤษฎีหนึ่ ที่ขั้นต่อไปเราก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่านทำก็สอบได้หรือไม่คือเวลาเจอของจริงเวเจอโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเจอความเจ็บปดวดรนะ้อนหนาวตามร่างกายต่างๆใจเราทุกข์รู้เรื่องเฉยๆได้หรือเปล่าถ้าใจยังทุกข์ก็สอบตกหรือถ้าจะต้องตายถ้าแกิไปเจอความตายไปเจอโรคภัยที่หมอบรักษาไม่หายนะ จาต้องตายไปในสามเดือนนี้ดูเสียใจเราเดือดร้อนหรือไม่ถ้าใจยังเดือนร้อนอยู่แสดงว่าสอบตกยังไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่เทีมไม่ร่างกายไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสีดินน้ำลงไฟที่วันหนึ่งมันก็จะต้องแยกสลายออกไป ถ้าไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับมันพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายก็แสดงว่าผ่านสองผ่านอันนี้ก็จะได้สองตัวได้แล้วร่านกายได้แล้งไม่เวทนาเวทนาคือความรู้สึกเวทนาที่ผ่านมาทางร่างกายก็มีอยู่สามมีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาหิวก็ทุกข์เวลากินข้าวอิ่มก็สุข เวลาไม่หิว <Hoch sch at> ไม่อิ่มก็ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นต้นนี้ทจุกเลยอะเราสามารถรับเวทนาทั้งสามชนิดได้ไหมในที่ไม่มีการรู้สึกเอทุกข์กับมันเวลาเมือนั้นร่างกายเจ็บใจอยากไปเจ็บกับมันได้ไหมใจเราเฉยๆได้หรือเปล่าเวลาสุขใจเราอยากไปอยากให้มันสุขไปนานๆได้หรือเปล่าเพราะมันจะต้องเปลี่ยนไปมันไม่อยู่เวมันไม่สุขไปตลอด เดีันก็ลี่ยนไปเป็นทุกข์บ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างคือเราต้องเข้ า, จาใจธรรมชาติของเวทนาแล้วอยอดรับความเปลี่ยนแปลงของมันเพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ถ้าเรารับเวทนาทั้งสามหน้าไม่ทุกข์กับเวทนาเราก็ผ่านได้ข้อสอบข้อนี้การทดสอบก็นั่งไปนานๆให้ร่างกายมันเจ็บแล้วปล่อยให้มันหายเองอย่าไปขยับร่างกาย ถ้ามีปัญญามีสมาธิก็จะอยู่กับมันได้แล้วก็ตัวที่สามก็คือตัวจิตหรือตัวอารมณ์ที่จิตจิตนี้ก็ยังแปดตัวอยู่มีไปมีอารมณ์แปดตัวนเปลี่ยนแปลงไปบางวันก็รู้สึนุนเหางข้างใจบันก็รู้สึ ก, กรก่างเลยอันนี้ไม่ใช่มาทำเมตนาทำร่างกายร่างกายอาจจะสบายแต่จิตอาจจะงงนหินก็ได้มันจะเรื่องเรื่องที่ ไม่หนีขึ้นมาก็อากายอาการหงดหงิดอาการซึมเศร้าขึ doing, ้นมาก็ได้ทั้ที่ร่างกายก็เวทนาทางร่างกายก็ปกตินี้อยู่แต่ใจไม่ปกติอันนี้มันก็แปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเหตุการณ์ต่างๆที่จไปสัมผัสรับรู้ด้วยไรัรู้เรื่องที่ทําให้หงดหงิดมันก็เกิดมาว่าอนหงุดหิดขึ้นมาเปรับรู้เรื่องที่ทําให้เศร้าหมองเศร้าใจมันก็เองก็ทำความเศร้าขึ้นมา ถ้าเราไปอย่ากให้มันไม่ไ ม, ไ, มไม่แปลตัวนี้มันก็จะทุกข์เพราะมันเหมือนก็เหมนะือกับเวทนามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ม, นนมันเป็นอนาาิจจมันเป็นอนัตตามันเป็นอยู่เฉยๆอย่าไปทุกข์กับมันมันก็เราไม่ไปทุกข์กับเวทนาะไม่ไปทุกข์กับร่างกายอันนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็ผ่านน้ำตาข้อแต่ยังมีข้อหนึ่งที่ข้ามไปก็คือเรื่องของร่างกายที่เรายังต้องต้อ ง, ต, องต้องพิจารณาอยู่อีกเรื่องก็คือ ร่างกายทิศของคนหนึ่งที่เราไปลหลงรักในน้ำเห็นว่าเขาน่ารับกน่าชม น, น่ามีให้ความสุขของเราด้วยการรูวเพศกันเรก็พิจารณาร่างกายของเขาให้เองว่ามันเป็นสุภาพพิจารณาเวลาที่เขาเป็นซาสเซ็ปยรายอย่างนีนจะมีอยากจะรูปมเพศของเขาหรือเปล่าหรือพิจารณาเข้าไปข้างในดูอาการที่อยู่ภายใต้ผิวน้ำทั้งใด ก, ก็ลงแล้วก็เอาไว้เยาว่าต่างเราต้องเห็น ตั้งกายในสภาพแบบนี้เราถึงจะเอาชนะการมาคาคือความอยากที่จะมีแฟนอยากจะมีเพศสัมพันธ์ได้อันนี้ก็คือข้อสอบต่างๆที่้องใช้ปัญญาเปทั่วกระทำถ้าทำข้อสอบนี้ผ่านหมดจิตก็อดทนไม่ทุกข์กับอะไรต่อไป อาจารย์ครับคําว่ากายพิจิตพิจารณากายนี้ถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกายตอนนี้ก็จังเป็นสติใช่ไหมครับอรย์ตตแต่พอเรามาพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่ก็คือเป็นปัญญาแล้วใช่ไหมครับใช่แต่มันเป็นปัญญาแต่มันเป็นปัญญาแบบทำกันกบ้านยังไม่เจอของจริงยังไม่เจอของจริง ก็เป็นเจอเวลาที่ใกล้จะตายเนี่ยเดี๋ยวนี้จะข้อของจริงเจอข้อสอบวันหนึ่งเราเราจะใช้ปัญญาที่เราได้ทำการบ้านมานี้สามารถตอบข้อสอบนี้ได้ป่าทข้อสอบข้อนี้ผ่านหร ป, ป่คือไม่ทุกกับมันได้หรือเปล่าครับเบื้องต้นเราต้องทำการบ้านก่อนต้อคิดอยู่บ่อยๆก่อนคิดอยู่เรื่อสอนใจืให้มันยอมรับทำที่ดีให้ได้ก่อน อย่างไรตอนต้นนี่เราทางทฤษฎีเรายังไม่รับยราไม่ยร า, าไม่ยอมรับกันเลยคนตรงคนนี้ไม่ให้ยอมคิดไม่ใพูดถึงคําว่าตายเลยคําว่าตายนี้คำเอาข้าเข้าม า, าไม่ได้แสดงว่าแม่เป็นแม้แต่เป็นเพียงแต่ทฤษฎีก็ไม่ยอมรับไม่อยอมรับทฤษฎีไม่ได้จะไปรับความจริงได้เไหมอย่างไรไม่เจอความจริงมันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจทุกขุ่นวายใจอันนั้นเล เป็นปัญญานี่มันมีสองสองสองระดับระดับเรียนรู้ทำการบ้านเรียนรู้ทฤษฎีแล้วอยอมรับโดยปริยายก่อนมันยอมรับ ท, าทําทฤษฎีก่อนแล้วก็ไป็พิสูจน์ว่าสามารถจะรับทางปฏิบัติได้ไและัเกิดความจริงขึ้นมาแต่เวลาทําสติอย่าไปคิดมันจะทําให้สติมันมั น, ม, นมันไม่สามารถควบคุมกับจิงได้ การนั่งสมาธิมันก็แทนที่จะอยู่กับพุโทโธหรืออับ ม, มันก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันก็จะทําให้เข้าสมาธิได้ยากครับอาจารย์ครับแล้วมีอีกคำหนึ่งคือคําว่าธรรมนี่คืออย่างไรครับอาจารย์ครับธรรก็คือสิ่งที่มีธรรมะที่มีในใจทั้งมีทั้งธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีเราเห็นมันหรือเปล่าเช่มีนิวรณนห้าเราเห็นมันไหมมีนิวรณนในใจเราหรือเปล่า มันมีเราจัดกำจัดมันหรือเปล่ามันมีทางฝ่ายที่เป็นฝ่ายดีเราเราสร้างมันขึ้นมาหรือเปล่ามีโคดชมนีม่เขาเป็นธรรมะฝ่ายดีมีเสด็จมีอุเบกขาหรือเปล่าเราก็พิเราต่อตาดูธรรมะที่ทว่ามีอยู่ในใจเราหรือเปล่าทําที่ดีเราก็ส่งเสริมมันทำที่ไม่ดีเราก็กำจัดมันได้แล้วก็มีธรรมที่เราต้องเข้าใจก็คืออรยัจ อันนี้เห็นเห็นอนิจจสัตว์สีในใจเราได้ยังเห็นเห็นทุกเกิดขึ้นในใจเราได้ยั้วทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเห็นได้ย่างเช่นเวลาร่างกายจะตายนี่ใจเราทุกข์ขึ้นมาเห็นได้ยังเห็นเห็นความทุกข์หรือเปว่าเป็นอะไรเห็นความทุกขก็คือความไม่อยากตายนี่คือความอยากอยู่ความไม่อยากให้ร่างกายตายแล้วเราเห็นนิโนธได้ยัง เราหยุดความทุกนี้ได้ไหมยงและเหตุที่จะทาให้ความทุกข์นี้ดับไปเรามีหรือยังก็คือสติปัญญาสําหรับที่มีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงต้องตายไม่มีตัวตนไม่นี้ตัวเราของเราปล่อยวางได้หรืยัอันนี้ก็คือธรรมต่างๆที่ที่เราจะต้องเห็นในใจของเราแต่นี่มันเป็นดุน ทำเหลนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปตรวจตาเดียวมันเป็นเครื่องมืในการปฏิบัติของเราอยูอย่่ในตัวอยู่แล้วขอให้เรปล่อยให้สามตัวนี้ให้ได้ก็พอก็ต้องปล่อยด้วยธรรมนี่ที่เราพูดถึงปล่อยด้วยสติปล่อยด้วยสมาธิปล่อยด้วยปัญญาก็เป็นโทษชมแนละ้วนีโทษชมเจ็บนิดมากแปดนี่มันก็อยู่ก็เป็นธรรมที่เราจะต้องมีและทางที่เราต้องทำใจก็คือนิวรณน น, นนิวรณ์นี่กเป็นตัวที่มันจะคอยขัดขวางเรา ให้เข้าสู่ความสงบด้วยเห็นด้วยเห็นธรรมยน์หรือเปล่าก็ต้องเห็นธรรมยศด้วยเห็นสกายาทิฏฐิหรือเปล่าเรามีสกายาทิฏฐิหรือเปล่าเราลัสกายาทิฏฐิได้หรือยังเรามีการมาลาคะหรือเปล่าเรารกกามาลาค้าได้หรือยังมีอวิชชาหรือเปล่ามีมานณ์หรือเปล่าเราลักมันณ์ได้หรือยังอันนี้ก็คือเป็นธรรมนึงเมีข้อสอบที่เราจะต้องทําให้ได้ แต่มันก็อยู่ในกรอบของการปล่อยกายเวทนาจิตนี่นครับศึกษาไปปฏิบัติไปมันจะเข้าใจมันโยงกันมันจะเป็นเหมือนกคำเรื่องเดียวกันเป็นเชือกที่มันมีหลายหลายเส้นมาขดมามารวมกันเป็นเหมือนเชือกเส้นใหญ่แต่เราวิเคราะห์เราสามารถแยกย้ายมันมีหลายหลายหลาเชือกหรือหลายหลายเส้นนังไงธรรมะมีหลายหลายเส้นเนี่ย อาจารย์ครับแต่เวลาที่เราพิจารณาของเรานี้เราเริ่มที่กายใช่ไหมครับไม่ใช่ที่จิตใช่ไหมครับอาจารย์เห็นบ้างไหมว่าดูเราดูจเจริปัญญาเราต้องเอาจิต เ, เอากายให้ได้ก่อนเพราะกายมันง่ายกว่าจิตง่ายกว่าเวทนาจิ น, น, นละเอียเรามองไม่เห็นมันถ้าเรายังไม่ผ่านถ้าเรายังไม่สามารถปล่อยวางร่างกายที่เป็นส่วนหยาบได้เร า, าจะไม่เห็นส่วนละเอียดไม่ได้คิอจิตไง กายไม่ลมตนาแล้วค่ อ, อยจิตเนี่ยความอยากละเอีมันมันต่างกันไงก า, าอยาอยา ก, กมาเมตนาเมตนาอยากว่าจิตถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการขยับของกล้ามายไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับต้อเอาเรื่องนี้ก่อนต้อให้ได้สเตจก่อนอย่างที่พระเจ้าบอกสเตจนี้สําคัญที่สุดเรกส่งเป็เที่ยงหอนอยเท้าช้าง รอยเ้าชางนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดใขนของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในป่ารอยเ้าชางนี้จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดได้ความสำคัญของสติเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีก็จะนั่งสมาธิทําใจให้สงบเป็นอัปนาสมาธิไม่ได้แล้วไม่มีอัปนาสมาธิจะไม่รู้จ่เหงุจะมีปัญญาจะรู้ว่าจะต้องปล่อยวางองปล่อยไม่ได้ต้องปล่อยด้วยสมาธิปล่อยด้วยเมตคา หยุดความอยากด้วยเบรค่าไม่ได้หยุดด้วยปัญญาปัญญาเป็นเพลงผู้ชี้เป้าควรจะเป็นหยุดตัวไหนหยุดความอยากหยุดตัณหาแถ้าไม่มีกําลังหยุดก็หยุดไม่ได้สมาที่คือกําลังหยุดเป็นเบรคของใจอาจารย์ครับอย่างเรารู้ลมไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายถูกไหมครับอาจารย์เป็นการทํามสมาธิด้วยการใช้น ม, มายใจครับ การสติมีความระมัดใจเข้าหรอ่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายแล้วแต่ตอนนีนน้มันเป็นแพงเป็นเป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องของปัญญาอะไรอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ผูกใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดเป็นที่ยิงใจให้เข้าสูาส่ความสงบในปัญญามากเลยครับอาจารย์ครับจริงๆอยากถามต่ออีกนิดของตัวเองนิดหนึ่งครับอาจารย์ยังย่งมีสํานักบางสํานักเขาขยับมือ คลๆเดินจงกรมขยับมือไปมาอย่างเงี้ยครับอาจารอันนี้ถือเป็นการเป็นการเิเป็นการเดินสติครับกายากตาสติให้เรอการขึ้นไวอาจารย์เวลายกมือขึ้นหร่ายกมือขึ้นเวลาเอาเอามือลงก็เ่เอามือลงเนี้ยเช่นเวลาเดินตบาทเนี่ยเวลาเดินบนทบาเวลเปิดฝาบาทก็เป็นสติขอการเปิดฝาบาเนลารัรานก็ให้เป็นสติยู่การรับปรหานที่เรสายบา เพราะว่าใส่แต่แคมีสติตเปิดขาบ่าให้อยู่ ก, กันกระทําต่างๆของร่างกายแต่ยาเอามาทำแบบที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเท่านั้นนั่งอยู่เฉยๆกามา็มาเอายกขึ้นยืดหงนี้มัน ม, มันไม่เป็นธรรมชา ต, มติมันต้องเราต้องเอาเป็นแบบเป็นธรรมชาติเป็นปะกะติ ข, ของของการกระทําของร่างกายในแต่ละวันเนื่ยแต่เราเติบขึมม้นมานี่ยเราต้องมีการกระทําอยู่ตั้งแต่เติบขึ้นมาพขึ้นมาแล้วเราต้องรู้จักเตียงนะให้มีสติในการ เปลีนทีเรียลนู่นนะจากท่านอนก็นาขึ้นมาเป็นท่านั่งจากท่านั่งก็เปลี่ยนมาเป็นท่ายืนจากท่ายืนก็เป็นท่าเดินเดินไปเข้าห้องน้ําไปขับท่ายไปนั่งน้าแปรงฟันให้มีสติอยู่กาบการทําเหล่า น, นี้ไม่ใช่พอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาน่าไปยกมือซ้ายยกมือขวาไปนี่ก็จะสติมันไม่มันไม่ใช่เป็นยาวที่ที่ที่เป็นธรรมชาตินั้นยาวที่บิดเบื แล้วม well ันจะทําให้ไม e ่ไม <till> ่ไม่ไม่ไปมีสติแล <Congratulations. S 2> ้วเวลาที Has ่ไปทำอย่างอื่นจะทำจะมีสติแต่เวลายกมืออย่างเดียวครับผมเราเป็นอย่านไร้างยกมือได้ทั้งวันที่ไหนล่ะเวลาไปทําอย่างอื่นก็ไม่มีสติเลยไม่อยู่กับการกระทำทั้งอย่างอื่นเรามีสติอยู่กับการยกมืออย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะมันไม่มันไม่ถูกหลักทําหลักนันต้องมีสติอยู่กับการื่อนไหวของร่างกายอแาบที่เป็นธรรมชาติ ร่าง ก, กายต้องมีการเคลื่อนไหวมีการการะทำทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหับเราก็ผูกใจไว้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของของร่างกายไปไม่ต้องมาสมมุดย่นิ้วขึ้นมาแล้วนับนับนิ้วไปนับมันนิใหมา่าไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่วิธีจาระสติแบบที่มันมันแล้วสติประฐานมันไม่ใช่ครับผมกรับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเ แ, แต่ขอโอกาสถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับ คนดำครับบอกว่าจะมีวิธีวัดผลของสมาธิอย่างไรให้รู้ว่าเรามีสมาธิถึงขั้นไหนแล้วเช่นคณิกะอุปจาราสมาธิหรืออัปนาสมาธิครับใกล้มันได้ผลเนี่ยถ้าไดกผลมันก็รวยมันปฏิบัติไปให้มีสติไปแล้ววันหนึ่งมันพอจิตสงบพอสงบแป๊บเดียวเราก็รอดนี่เป็นคณิกะพอสงบได้นานขึ้นมากมากว่าแป๊บหนึ่งถือว่าเป็นอป น, อปนาอปนา ทำอย่างไรถึงจะดึงความศรัทธากลับมาเหมือนเดิมได้ครับแต่ก่อนเคยสวยดมนต์ได้ทุกเย็นครับตอนนี้จิตตกครับเราต้องเข้าห า, าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนะถ้อเราคอยฟังเทศน์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะให้มากขึ้นและเข้าหาพระที่เราเขอเร้วงความเป็นพระระยะที่สามารถที่จะปกศรัทธาให้กับเราได้เราก็ไปอยู่ใกล้ท่านเข้าไปหาท่าน ดูติดตามคำสอนท่านผ่านทางหนังสือก็ได้อานทางสืออ่อต่างๆก็ได้วเวลาเ้าไม่มีศรัทธาเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุธไม่มีมัหาอะไ ร, เ ร, ร, เ, เ, ร, ระเราก็รู้ว่าเป็นใครพระธรรเราก็รู้ว่าเป็นยังต้อตายไป็นดอกอย่างพรสงนี่ต้องยากแย่หน่อยเพราะในสแบบสมมุติสมมุติติดสงฆ์สมสมที่เป็นปุตุชนกัแบบสมที่เป็นพระอริยอันนี้จะยากแย่ยา ก, ยาก ใ ช, ใช้เวลาคนคว้าวิธีง่ายที่ karaoke, ination, ทท you know, ส uh, tem, right. really? yeah. ุดก็หาสศพที่ตายไปแล้วที่กระดุกท่างตายเป็นพระธาตุไปแล้วเช่นสมมุดหลวงตามหาบัวเนี่กระดกท่านตายเป็นพระธาตุนะอ่านหนังสือธรรมะของท่านได้น่าจะได้กำลังใจได้ศรัทธาธรรมะได้ขอธรรมะสำหรับรักษาโรควิตกกังวลครับจนนอนหลับได้ยากครับก็เรียนต่อใช้สติ สติจะ่างดูมุมก็ได้หรือจะบริการพุทธโทรก็ได้อย่าคิดความไม่ตกรรงงกังวลเกิดจากความคิดอยู่ครับคิดถึงอ น, นาคตคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่ตกกังวลไปถ้าเราอยู่ความคิดเหล่านี้ได้ความไม่ตกรรงงกังวลก็จะหายไปต้องใช้สติอย่างสติแบบดูมมก็ได้หรือบริการพุทธโทรก็ได้หรือส่วนมนไปก่อนก็ได้ จิตเข้าพวังกับจิตเข้าฌานต่างกันหรือไม่อย่างไรครับอันเดียวกันกเป็นภาษาที่เขาพูดพรูแทนกันได้แต่พวังได้มีอยู่สองแบบพวังหลับแัะ พ, ว, พวังตื่นถ้าเข้าพวังแบบไม่มีสติแล้เรียกว่าหลับถ้าเขเข้าพวังแบบมีสติแล้วเรียกเข้าฌานมีคนคอมเมนต์บอกว่าวันนี้ไม่สบายหนักมากครับ พอคิดถึงคาพระอาจารย์แล้ววางลงได้เลยครับออนี่นวางแบบทฤษฎีหรืออาจจะวางแบบปฏิบัติเพราะมันเจอความจริงอยู่แล้วมีทุกข์ในใจอยู่นะถ้าเอาธรรมะที่ได้ยินในฝันนี้มามาปฏิบัติกับใจก็สามารถดับความทุกข์ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญญาถ้าเป็นความความรู้ที่ดับความทุกข์ใจที่กําลังเกิดขึ้นนั่นเราเรียกว่ามันเป็นปนัญญาแต่ถ้าเป็นความรู้ที่ ยังไม่ได้ไปดับความทุกข์คือตอนนั้นตอนที่เราได้ยินได้ฟังเรายังไม่ทุกข์ใจเราก็เรายังไม่รู้ว่าอันนี้เป็นปัญญาหรือไม่เรารู้ว่าต่อเมื่อในเลวลาเรามีความทุกข์ใจแล้วเอาธรรมะนี้นมาสอนใจให้ปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปพยายามตั้งสติให้นิ่งแต่ทายากเหลือเกินครับจะต้องทำอย่างไรดีครับมีความท้อใจมากครับ ต้องขยันต้องขยันจาระสติตั้งแต่เตื่นขึ้นมาเลยใ น, นช่วงช่วงตอนเช้าก่อนที่เราจะไปทงานเนี่ยเป็นช่วงที่เราไม่ีเวลาจาระสติได้เพราะเราไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องเจอใครเราทําดูเด็ช่วงเตรียมตัวจะไปทํางานเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ดึงตาขึ้นพอดึงตาก็ตั้งสติเลยจะเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนกำลัง อ, อ, อยู่ในท่า น, นอนกําลัอองจะลุกขึ้นมานั่งกำลัอองจะลุกขึ้นไปยืนกำลัอองจะเดินเข้าไป เตรียมตัวนั่งหน้าแต่งํานันหน้าหรือท่าแต่งนัน่งแต่ตัวตอนนั้นให้เจอสติน้าตลอดเ ล, ลวลาอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ระวางผิดอย่างไรดีครับมีความท้อแท้ทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่ในโลกที่มีมีอะไรม่แปรปรวนแน่นอนเป็นสิ่งที่เราควบคุมเข้ามาได ก็ขอให้เราทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันทำเท่าที่เราทําได้ได้เท่าไหร่ก็ให้ยินดีตามนิทานเกิดใช้หลักน้อยน้อยสันเดีวแล้วมันจะไม่ค่อยทุกข์ถ้าใช้หลักโล่มากมันก็จะทุกข์โล่อย่างได้พอไม่ได้ก็จะทุกข์ขึ้นมาโยมเพิ่งทราบในสังคมทั่วไปมันมีระดับชั้นของสังคมในตัวมันเองไม่ใช่เจ้าขุดมูลนายแต่เป็นสังคมชาวบ้านทั่วไปครับมันมีระดับในเชิงสเตตัสทางสังคมอยู่ บางครั้งโยมก็ไม่คุ้นชินกับการที่ต้องไปเกี่ยวพันกับคนที่สเตตัสสูงกว่ามันออกจะอึดอัดและแปลกแยกเราควรใช้ธรรมะข้อใดมาปรับใช้กับแนวคิดนี้ดีครับก็สังคมเราเหมือนนิ้วของเราคนในสังคมเราเหมือนนิ้ของเรานิ้วของเราก็ไม่ไม่เท่ากันใช่ตั้งห้านิว้วมีอ้วนบ้างมียาวบ้างมีผอมบ้างมีสัน้นบ้างคนในสังคมก็แบบนี้มีมี ภาวะวุฒิต่างกันวุฒิภาวะต่างกันแล้วเราก็วัดวุฒิภาวะนี้เป็นเครื่องทําให้ความเคารพต่อกันคนไหนที่เก่งกันเราเราก็ให้กับเขาว่าเราเคารพเข้าเก่งดูถ้าเป็นหมอนี่ก็คนจะเคารพหมอมากกว่าเคารพตำรวจใช่ไหมใช่ครับจะให้เกียรคุณหมอเ้วจะเคุณหมอจะวอนนี้คุณหมอค่าวอนนี้ข้าคหม อ, หมอแต่ถ้าเจอตำรวจก็อาจจะเฉยๆ <Thank you. S 2> ไม่ได้ ออกกบกรัวครับงั้นนั้นแต่ละคนมีบทบาทพูดง่ายๆพวกเราทุกคนมีบทบาทอย่างเราเป็นพระเนี่ยพอยมเจอก็ต้องยกมือไหว้นะจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธายอย่าง น, อน้อยก็ไหว้พระเหลกไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมาเราอยู่ในโลกสมมติเราต้องรู้จักสมมุติท่านบอกว่าสิ่งที่เราควรรู้ที่เป็นปัญญาการกับการที่จะอยู่ในสังคมนี้ต้องรู้ตน รู้ตนนี้คือรู้ฐานะของเราว่าเราเป็นอะไรเราเป็นระดับไหนเราเป็นในาสิบก็เป็นนน้อยหรือเป็นในพันอย่างนี้รู้ตอบเราต้องรู้ผู้อื่นรู้ผู้อื่นแล้วเขามียศสูงกับเราหรือต่ำกับเราแล้วก็สูงกับวราเราก็ต้องให้คำเคารพเขาแล้วก็มียศต่ำกับเราเราก็รับการเคารพจากเขาต้องรู้ตอนรู้บุคคลรู้ตอนก็รู้ตัวเราเองรู้บุคคลืก็รู้คนอื่นแต่เราคนมีฐานะไม่เท่ากันมีสมุนไม่เหมือนกัน อยากจะขอหลักธรรมประจําเดือนเกิดครับพระอาจารย์ครับไม่มีเหล่าหลักธรรมประจําเดือนเกิดหลักธรรมก็คือทําดีนับเชื่อซักเเพ้วจิตใจให้ซะนี่นคือหลักธรรมทุกเดือนไม่่าจะเดือนใดก็ต้องทำแบบนี้เท่านั้นทําทุกวันเลยไม่ใช่ถอดเท้าเฉพาะเดือนทําทุกวันยิ่งทําได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนั่งภาวนามาสี่ปีแล้วครับ มีอาการหายใจขยายกว้างไปเรื่อยเหมือนกระจกใสยอย่างนี้คืออาการอะไรครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอะไรมันเป็นกรใช้ลนมนเป็นที่ผูกใจท่นเองขอคําแนะนําในการปฏิบัติตัววันออกพรรษาในทางธรรมะครับใส่บาตรตามปกติเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องหรือยังครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนกะ็ลนะบาต ทำดีซักพอกจิตใจสะอาดทำทุกวันไม่ว่าจะเป็นมันเข้าพรษาออกพรษาเรื่อการพารรษาด้วยทำอะไเดี๋ยนี้คืองานที่เราต้องทำกันทุกคนเพราะงานนี้จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเองอยากจะถามผ้าจาย์ว่าคนที่ตายแล้วเขาไปเกิดเลยหรือเปล่าครับไปเลยเขามีครอบภูมวของเขาไง พภูมิไม่ได้มีแต่เพียงแต่พบภูมิของมนุษย์เนี่ยพบภูมิมีทั้งสามสิบเ็ดพบภูมิฮะถ้าทําบาป ก, ก็ไปอาบายมีอยู่สี่ถ้าไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์ถ้าทําบุญมากกว่าทําบาป ก, ก็ไปเป็นเทพในหกพบภูมิด้วยกันหกชั้นด้วยกันถ้าได้รูปประชาชนก็ไปสิบหกชั้นด้วยกันในสวรรค์ชั้นพรถ้าได้รูปประชาชนก็ไปอีกสี่ชั้น เราเหมือนโดนก็เป็นส้าทีจะพบผมนี่ครับคิดมากย้ำคิดย้ำทำควรจะภาวนาอย่างไรครับก็ให้คิดแต่คำว่าพุโทโธถ้าชอบคิดย้ำคิดย้ำทำก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปอย่างเดียวแล้วใจก็จะว่างจะเบาจะเย็นจะสบายไม่มีความหนกักอกหนักใจ กราบข อ, อกําลังใจจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมครับก็ให้เราคิดว่าไม่มีชาติไหนพบไหนจะดีครับทั้งพบในชาตินี้การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนายังมีชีวิตยอยู่นะมีเวลามีโอกาสที่จะได้สังเกตการทําททปฏิบัติธรรมอันนี้จะเป็นสูตรที่วิเศษที่สุดนะสาหรับของการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้เราได้บรรพุนจากการเป็น่ตายเกิด เรียบตัเรียบตดตัวโอกาสนี้อย่าให้ปล่อยให้มนันหุดเงื่อนไปอย่าเสียชาติโดยผู้นี้นี่ทาตามคํสาสอนของพระเจ้าทําบุญหน้าหมาซัดพอกจิตใจให้สะอาดบริสทธามสามข้อนี้ให้ถามสามข้อครับอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับขณะที่นอนหลับจิตอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่เดียวที่ตื่นจิตนั้นไม่มันไม่มีที่อยู่มัน เราเรีกว่าอยู่ในโลกทิศแต่มันไม่เหมือนร่างกายที่มีรูปที่มีขนาดก็ต้องมีสถานที่แต่จิตที่มันไม่มีไม่มีสถานมันไม่มีรูปร่างมันก็เลยไม่มีสถานที่ที่มันจะต้องอยู่เราเรียกว่าอยู่ในโลกทิศไม่ได้อยู่ในร่างกายข้อที่สองครับความฝันเกิดจากอะไรครับมันจะความคิดปรุงแต่งที่มีบุญหรือบาปเป็นผู้ผลักดันถ้าบุญเป็นผู้ผลักดันให้คิดปรุงแต่งมันก็จะฝันดี ถ้ามีบาปเป็นผู้คิดผรผังดันให้คิดตูงแต่งมันก็จะฝันน้อยฝันไม่ดีข้อที่สามครับถ้าฝันปรามาศพระพุทธเจ้าอย่างนี้บาปไหมครับก็เป็นความคิดที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษกับเราและมันยังไม่เป็นบาปเพราะมรนยังไม่ไปทำให้ใครเสียหาย เวลาใส่บาตรเสร็จแล้วพระให้พรโยมยืนรับพรไม่นั่งถูกต้องไหมครับ น, นี่ไม่รู้จะตอบยังไงมันได้ทั้งนั้นแหละจะยืนจะนั่งก็ได้นอกจากเคร่งจริงๆนั่นเราไปศึก ษ, ษาพระวินัยเดียวก็ว่าไย่างไรใสมัยนี้เราต่างใดถ้าเรามีเจตนาที่แสดงความเคารพจะยืนเคารพก็ได้จะนั่งเคารพก็ได้แต่สมัยก่อนว่าจะมีวิธีของเขานี่ยมันก็ไม่ได้ศึก ษ, ษานานี มองเห็นอกมนไม่เป็นประเด็นสำคัญของกั น, นยีเจเรามีความเขารอบหรือไม่นั่นเองวันนี้เป็นนั่งสมาธิช่วงบ่ายสองชั่วโมงพอเริ่มเข้าชั่วโมงที่สองเริ่มเกิดเวทนาเกิดก็เลยเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นสวดพาหุงและอิติปิโสไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องเวทนาบางทีก็คิดว่ากายไม่เจ็บเป็นแค่ดินน้ําลมไฟสลับไปสลับมา ใจเริ่มไม่นิ่งเหมือนชั่วโมงแรกแต่ก็นั่งครบสองชั่วโมงกราบเบียนถามว่าต้องทํำยังไงใจถึงนิ่งคะเมื่อเกิดเวทนามาถูกทางไหมครับมาถูกแล้วนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใส่บาตตอนเช้าริมถนนพระสงฆ์ท่านบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้าหลอกโยมแต่ยืนต่ํากว่าพระไม่ได้ถอดรองเท้าอย่างนี้มีความผิดหรือเป็นบาปไหมครับ คือมันเป็นธรรมเนียมของโบราณนะโบราณเขาถือว่าคนที่ใส่รองเท้ามีสมูงกว่าคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าเชนที่คนโบราณก็ถือว่าพระสูงกว่าคนที่เป็นผู้ดูชมเป็นเป็นคาราวาสเวลาใสาบ่บาตก็ไม่ควรจะยืนในที่สูงกับพระเท่านั้นเองถ้าใส่รองเท้าก็ถือว่าอยู่ในที่สูงกว่ า, า, า, ว า, วาแต่ใ น, นสมัยปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้มาถือสาในแบบนี้แล้ว จะเริ่มมิปัสนาควรเริ่มและปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องครับออย่างเทพบุตรเนี่ยต้องจงรักสติก่อนนั่งสมาธิให้ได้ชานก่อนแล้วค่อยมาจารมิปัสนาปิปัสนาเนี่ยยังไกลขอยังเอาก้อไกลขอขาขก่อนก่อนที่จะมาขีนตํานานมาแต่งตํานานนี่เป็นอันอัานเลี้กงข้อไกเข้าอขายให้อ่านออกขีนได้ให้ได้ก่อนเมื่อออกขีนได้แล้วค่อยมาขีนตํานา วิปัสสนาในการหมายกำเพื่อขินตำณาเวลาเรานั่งสมาธิเราควรกำหนดใจอย่างไรให้สงบปกติแต่ บ, บริกรรมพุทโธตามรู้อยู่กับลมหายใจเหมือนดูลมไปเรื่อยๆพอจิตเผลอไปคิดก็จะกำหนดว่าคิดหนอแล้วกลับมาที่ลมหายใจทำแบบนี้ทำถูกไหมครับเพราะฟังพระอาจารย์บางท่านบอกว่าไม่ให้ดูลมให้ตามดูจิตเวลามีสัมผัสทางไหนให้ตามดูจิตไม่ให้ดูลม หนูเลยสงสัยกลาบขอความเมตตาจากพระอาจารย์แนะนำการฝึกสมาธิด้วยครับก็แต่ละคนสอนแต่ละแนวเนี่ยบางคนให้ดูจิตแต่วจ้าบอกให้ดูกายแล้วดูลมจะตามใครเวลาสติปัฏฐานโสดเดิมีท่านยืนยันว่าต้องดูลมเวลานั่งสมาธิเวลาไม่นั่งสมาธิให้ดูล่างกายเคลื่อนไหวการขึ้นไปของร่างกาย ในวาระสุดท้ายควรตั้งจิตยอย่างไรครับถ้ามีโอกาสครับอถ้าเวลาวาระสุดท้ายมันตั้งไม่ทันเหมือนนั่งมวยถ้ายังไม่ซ้อมเลยพอถึงขึ้นเวทีแล้วไปถามว่าจะต้องทำอย่งไรก็ถุงน็อกอย่างนี้ต้องซ้อมให้ก่อนนั่งมวยก่อนจะขึ้นเวทีนี้ก็ต้องซ้อมชกซ้อมวิม่งซ้อมออกอะไรต่างๆนั่งายไม่ใช่มารอซ้อมตอนที่จะขึ้นเวทีไม่ทันการ ยังต้องปฏิบัติอย่างที่บอกเนี่ย ป, ปฏิบัติสติสมาธิแล้วค่อยมาถอนใจให้ปล่อยวางร่างกายเมื่อร่างกายไม่ยึดตัวเราน่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมชาติแล้วพอถึงเวลาสุดท้ายก็จะก็จะสามารถทนได้ถ้าไม่ทราบไว้ก่อนไปถึงเวลานั้นด้วยจะทำยังไงงงเป็นไก่ตาแตกก็ถูกเขานอกให้เลย ถ้าเราอยา ก, กเกษียณตัวเองเพื่อมาดูแลร่างกายและจิตใจด้วยธรรมะแต่ยังไม่เคยนั่งสมาธิวิปัสสนาต้องเริ่มเตรียมตัวอย่างไรเป็นหลักสำคัญครับก็ อ, อย่างไรก็ต้องเธอสิ่8แปดหาเวลาว่างมันมันเยอเธอสิ่งแปดเนื้อไปยู่วัดที้เขามีการสอนวิธีฝึกสตินั่งสมาธิเธอสิ 8, ่8แปดเยอก่อน คุณพุทธิพงศ์ครับพระอาจารย์บอกว่าเขาชื่อพุทธิพงศ์พงศ์จำนงกับคุณแม่สมบัติพงศ์จำนงนะครับเคยไปนั่งฟังธรรมพระอาจารย์ที่วัดตอนนี้กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดชัยภูมิแล้วมาอยู่ที่บ้านชายภูมิก็ฟังธรรมพระอาจารย์เหมือนเดิมแชร์ธรรมพระอาจารย์ทุกครั้งเวลาเจอเวลาพระอาจารย์แสดงธรรมนะครับค่ะเชิญคุณสมพรบอกว่าทุกวันนี้เห็นสังคมป่วยแต่เสมือนไม่มีใคร คอยจะใส่ใจกับคนป่วยเหล่านั้นเชื่อเสมอทุกคนเกิดมาดีต้องการเป็นดีแต่บางครั้งด้วยปัจจัยต่างๆเฉพาะยิ่งความบีบคั้นทางเศรษฐกิจทําให้สังคมเปราะบางเป็นสังคมที่ป่วยซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเราจะไม่ค่อยเห็นกันในสังคมในวันวานเราไม่มีเงินไม่มีความเจริญทางวัตถุแต่เสมือนเรามีความสุขตามอัตภาพทุกวันนี้มีความเจริญทางวัตถุมากแต่จิตใจของคนในสังคมเปราะบางสังคมออกจะป่วยไม่น้อยอันนี้คืออันจจังหรือเปล่าครับ คือการขัดธรรมะนะอดีตในในอดีตสังคมมีธรรมะมากกว่ามีความบ้างน้อยสันโดษมากกว่าในสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันความบ้างน้อยสันโดษมีน้อยเมื่อมีน้อยมันก็จะไม่มีเวลาให้กับคนอื่นเพะจะต้องหาให้กับตัวเองเพราะต้องการมากมากต้องมีมากมากเพราะเห็นาการมีมากมากนันจะทําให้มีความสุข ในสมัยเวลาณนี่มีพระคอยสอนมีธรร้ะคอยสอนว่าความสุขอยู่ที่ความรักน้อยสันโดษความสุขยิยูที่การ ม, มีความเมตตากรุณาต่อกันทั้งคงเ ป, ปพพงเลี่ยนไปเพราะขาดธรรมะผูดง่ายๆการเมตตากรุณาเมตตาตัวเองโกรธคนอื่น ที่ทําไม่ดีกับเราโกรธในใจฝ่ายเดียวปกติไม่โกรธใครแต่โกรธแล้วโกรธไปเลยคือเลิกพูดคุยกับเขาไปเลยเราควรทําใจอย่างไรเพื่อแก้ไขสิ่งนี้ครับแก้ที่ใจของเราแก้ที่ความอยากของเราเราอยากไปอยากให้เขาดีกับเราเพอเขาไม่ดีกับเราเร า, เราจะโกรธเขาถ้าเราไม่มีความอยากต้องการอะไรจากใครเราจะไม่โกรธใครแล้วเราก็จะอยู่กับเขาเป็นไม่แก้เขาได้ไปตลอด ขอเมตตาจากพระอาจารย์ครับการทําสมาธิจนจิตเป็นอุเบกขาจะต้องเป็นอุเบกขาจนเต็มรอบเหมืนชา์ไปเทีลนิตจนเต็มขีดถึงบรรุพระโสดาบันใช่ไหมเพราะอุเบกขาเต็มไปแค่ครึ่งหนึ่งก็คือเป็นโสดาปฏิมักจนเต็มขีดเลยถึงเป็นโสดาปฏิผลลูกเข้าใจถูกไหมครับเราก็ไม่ได้ว่านะมันไม่มีเกวัดเหมืนโทรศัพท์มือบบถือที่มันจะบอกว่าม่กีนะ่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ชาร์ ก็ทำไปเหมกันทให้มันมากทำให้มีอุเบกขาใจไม่หวั่นไหวเวลาเจอความเจ็บความตายใจไม่เหล่อยห้อยก็แสดงว่าผ่านได้ถ้ายังใจยังหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่าอุเบกขาอย่างไม่พอคำสอนของพระอาจารย์ทำให้มีสติอยู่กับตนเองทุกการกระทาความคิดจิตนาการน้อยลงนะครับอ๋อพี่ปุเป้ครับ เมื่อไหร่กายแตกดับแล้วจิตของเราจะจดจําตัวตนหรือญาติพี่น้องได้หรือเปล่าครับหรือว่าหลงลืมทุกอย่างไว้ข้างหลังทั้งหมดครับบางจิตคก็จาได้บางจิตก็จําไม่ได้เหมือนเราคนยมีความจําดีเมบ่งคนก็จําไม่ค่อยดีมีจําดีบางคนเรียนหนังสือเก็งกับคนที่จําไม่ดีอย่างไงหนังสือเราจาได้เวลาสอบก็สอบได้สีจ่จุดเจําจําได้หมดถามคาถามอะไรก็สามรารถตอบคำถามได้หมด คนจําไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยดีบางทีได้แค่สองจุดถ้าต่ำกว่าสองจุดครับนี่ความจากองแตละคนไม่ไม่เท่ากันคนที่จําได้ดีเราเลึกชาติได้กันมีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเลึกชาติได้เป็นเป็นหมื่นชาติพันชาติ เ, าเลือกได้ตอนนี้ได้ใช้ที่ร่ําเรียนสมาธิกับพระอาจารย์กําลังเข้าห้องผ่าตัด ในใจสงบไม่รู้สึกตื่นกลัวปล่อยใจกับร่างกายไปหลังผ่าตัดเสร็จต้องดูที่ร่ำเบียนมาว่าจะสงบหรือเจ็บปวดไหมครับก็ดูไปร่างกายเนี้อาการเจ็บปวดของร่างกายมันเป็นธรรมดามันจะเจ็บก็ไม่เจ็บไม่ก็ไปสั่งมันไม่ได้แตสิ่งที่เราทารักษาได้ก็คือใจของเราอย่าใช้ใจเราอย่าไปเจ็บปวดอย่าไปทุกข์กับร่างก า, ายก็แล้วกัน การใส่บาตรในตอนเช้าการปล่อยปลาการสวดมนต์สั้นๆนั่งสมาธินิดหน่อยก่อนนอนอย่างนี้ถือเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นไหนและควรปรับปรุงอย่างไรบ้างครับขั้นน้ำค้างขั้นน้ำค้างควจะทาให้เป็นแบบขั้นฝนเนี่ยขั้นฝนตกที่ทํำในเหมือนกับน้ํานนค้างตอนเช้านะมีน้ําค้างบ้างที่ตกมาคลุมใบไม้อต่ยไม่ใช่ก็เป็นเป็นฝนตกต้องทำแบบให้ันเป็ขั้นฝ น, นตก มันแบบพายุเลยนแบบพายุที่กำลมีอยู่ตอนนี้นได้ชุ่มจ่ำใจจะปฏิบัติทำอย่างไรไม่ให้ทุกข์กับความแก่เจ็บตายความพลัดพราครับอย่างที่พูดเนี่ยต้องปฏิบั ต, ติธนัดสติสมาธิแล้วก็ปัญญาขึ้นไปทำไปตามําดับขั้ น, น, นต้นฝึกสติ ถ้ามีสติก็ยังนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้เมื่อทําใจให้สงบได้ก็สามารถเราทำเอาทำหน้าที่พระเจ้าสอนให้เราปล่อยวางร่างกายมาปฏิบัติได้การฝึกสมาธิอานาปานสติต้องหลับตาเท่านั้นหรือเปล่าครับการหลับตามันจะทําให้เรามีสติจงใจออยู่กับมันได้ดีกว่าการเงยตา เราเงินตาเงินใจเราอาจจะเพ้อตไปตามสิ่งที่เราเห็นขึ้นไปยังได้ไรยากจะมีสติจดจ่ออย่างนั้นหรือว่าเราอยกต่อเนื่องไม่ไม่ไม่มีอะไรมาดึงไปควรจะหลับตาจะดีกว่าไม่ทุกไม่สุขต้องพิจารณาอะไรต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์เพราะว่ามันไม่เที่ยงวันนี้ไม่สุขไม่สุขแต่พรุ่งนี้อาจจะทุกข์ก็ได้ใครไปรู้ ทำอะได้ยังอยู่ในนูกนี้อยู่มันต้องมีสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปที่จะ ท, ทำไงให้เราไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือประเด็นไม่ทุกข์กับสุขไม่ทุกข์กับทุกทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปสุขก็ปล่อยมันสุขไปถ้ามีอาการเจ็บปวดเกิดเวทนาทางกายเราควรท่องพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะหายปวดเวทนาใช่ไหมครับก็ ทำไปเพื่อให้ใจทุกข์ตคอการตรวจของของ่องงางกายพอใจหายทุกข์แล้วเราก็ไม่เราก็หยุดทำไปได้แต่เราไม่สามารถไปทำให้วิทนามันหายไปได้ทางร่างกายก็แล้วแต่หมอแล้วแต่ยาบางครั้งเดินจงกรมมีเดินเซ่เป็นเพราะอะไรครับก็ไม่มีเสถิยรายจะหลับนะ เวลามีความทุกข์อยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะปรึกษาใครพระอาจารย์ฟังธรรมะพระอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันออกครับแล้วให้ฟังครับอาจารย์ <c oughs> สวดมนต์แบบไม่ออกเสียงได้ไหมครับ <c oughs> ด, ดีกๆออกเสียงเมันอยู่ในใจเรแล้วมันไม่เป็นรบกวนคนอื่นด้วย เคยอธิษฐานกับพระพุทธรูปที่บ้านโดยซื้อชุดผ้าไตรวางไว้บนหิ้งพระแต่มีคนบอกว่าบวชชุดขาวในขมะแทนก็ได้แบบนี้จะได้ไหมครับแล้วแต่ว่าอธิษฐานว่าอย่างไรก็ต้องทำตามที่เราอธิษฐานเลยฉันยาเราจะทำอย่างไรเราไปเปลี่ยนมันไมด้นนี้ก็ไม่ถุกฉันยาาจะเยียวยาเงินข้าบันเลยเดียงแล้วถึงเวลาใช้เราใช้แค่สิบบาทนี้มนไม่ได้หรอกยืนบัเหมืก็ต้องคนเหมอนไป ได้น้อมนำคำสอนพระอาจารย์มาปฏิบัติฝึกฝนเอาชนะกิเลสและความควบคุมใจต่างๆได้ระดับหนึ่งจนถึงวันที่แมวที่เลี้ยง19ปีจากไปโดยไม่ปกติคือโดนทำร้ายตอนแรกก็น้อมนำคำสอนมาคิดมองว่าเป็นปกติไม่เที่ยงแต่ตื่นกลางดึกหลายคืนต่อกันด้วยความคิดผุดขึ้นมาใช้พุโทโธหยุดความคิดแต่ยากมากขอพระอาจารย์เมตตาวิธีครับเาะนั่นแะเราต้องใช้สติอยู่บ้าง ถ้าถ้าใช้สติอยู่มันไม่ได้ก็ใช้ปัญญาว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครยับยั้งมันได้เชิงเรานี้คนที่จะออกบวชได้จะต้องเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวไม่ห่วงอนาคตว่าจะมีเงินใช่ไหมหรือเจ็บป่วยจะมีเงินรักษาใช่ไหมครับคือมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าใช่ไหมครับคือการบวชนี้ถ้าสำหรับผู้ชายนี่มันมี ในเรื่องราตอนนี้เรานับอยู่ไม่ต้องกังวลถ้าเราเป็นพระแล้วเรื่องปัจจัยสีนี้มีผู้ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราเป็นสุภาพสตรีนี่ก็แล้วแต่ว่าไปฏิบัที่สนนำนักไหนเราสำนักเข้าว่าจะมีคนศรัทธาสนับสนุนเหมือนกับเหมือนกับพระเหมือนกับวัดก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องนั้นเรื่องอะไรต่างๆแต่เราต้องอยู่ในกรอบของวิ น, นัยกฎระเบียบของวัดที่เราไปอยู่ด้วย บททีช่ชนบุรีไปเดินตามพระอาจารย์ก็ได้ทุกวันนะครับอาจารย์ <im it> มีแม่ชีเดินตามพระอาจารย์นะครับก็มีอยู่รหนึ่งแต่แม่ชีอยู่อีกสำนักหนึ่งอยู่ใกล้วัดยานไม่ได้อยู่สำนัเกนนเดียวกันแล้วก็เป็นนบานยขอยงเธอไปออแล้วก็อยู่ของเธอได้นม่ชีรวมหนึ่งที่อยู่วัดยานแต่ก็ไม่มีหลายได้แล้วก็อยู่ตั้งแต่พอๆ้ับเลามาอยู่วัดยานอยู่มาสี่สิบปีนะแม่ชีที่ที่ทําเป็นมรคัญยกที่เป็นคน ขอสีเงินคนที่กล่าวคำต่อายสัมภาระนี้แล้วก็อยู่กับวัดแล้ววัดก็เลี้ยงดเธอไปแต่เราช่วยกันวัดทางตามสมควรมันเข้าข้าพพาอุบาสก อ, อ, อ, อุบาสิกาไหว้าพระสวดมนต์หรือบางทีก็ให้คําแนะนําทางด้านธรรมะเรบางทีผู้หญิงกับผู้หญิงคุยกันสะดวกครับที่จะมาคุยกับพระนี่จาท่านได้ครับอาจารย์ครับอืม เวลานั่งสมาธิแล้วจิตเกิดความคิดขึ้นมาควรจะทําอย่างไรครับก็หยุดมันสินั่งสมาธิก็หยุดการคิดแล้วคอยอคอยป้องกันเวลาเราหยุดคิดแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดพอมันคิดเราก็ต้องหยุดมันด้วยสติเหมือนเดิมถ้าเราใช้พุโทโธเรากกลับมาใช้พุโทโธถ้าเราใช้การดูลมเราก็กลับมาดูลมตเมื่อไหร่ที่เราสามารถจัพิจารณาจิตหรือดูจิตได้ครับ ต้องผ่านวนาิทยาต้องผ่านกายไปก่อนถึงจะไปดูจิตได้ต้องเป็นท่านาคามีก่อนผูดง่งยๆถ้าปาัญหาข้อสอบทางด้านกายกับวิทยาอย่างสอบไม่ผ่านอย่าเพิ่งไปทักข้อสอบที่ระดับสูงกว่าคือถ้ายังไม่ผ่านระดับเป็น ญ, ญาตีกับปัญญาโทยอย่าเพิ่งไปเรียน ร, ญญรร น, น, นระดับปริญญาเองระดับจิตนี่นึ่งระดับปริญญาเอง คนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่ามีบุญแต่ยังมีคนจํานวนมากพากันทําบาปเป็นเพราะบาปเขายังมีมากกว่าบุญหรือเพราะอะไรครับเพราะที่เลนเนี่ยเพราะโมหะอวิชชาเป็นบางให้เขาแม่ไม่มองไม่เห็นว่าบุญและบาปที่มีจริงผลของบุญเป็นความสุความเจริญผลของบาปเป็นความทุกเป็นความเสื่อมที่เขาบอกไม่เห็นเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราควร ดูจิตแล้วก็เขียนเพิ่มเติมนะครับว่าการดูจิตคือเห็นโลภะโทสะโมหะในจิตใช่ไหมครับใช่เลยอย่าเพิ่งไปดูมันเลยดูก็ทําอะไรมันไม่ได้ให้ผ่านร่างกายผ่านเวทนาให้ได้ก่อนให้บรรลุเป็นภา น, ร า, นารามีก่อนแล้วค่อยดูจิตคนที่มีปัญหาสุขภาพเช่นเข่าเสื่อมปวดเขา่ามีปัญหาปวดหลังสะโพกไม่สามารถเดินานานๆได้ใช้การสร้างจังหวะ ได้ดีไหมครับคือขยับมือครับอาจารย์ก็ลองทำดูสิดูลอง ก, ก็ได้หรือหรอสวดมนต์ก็ได้พูดถงก็ได้เวลาสวดมนต์เราสามารถสวดทั้งคำว่าเตและเมในบทสวดเลยได้ไหมครับอา่เราไม่มีข้อจำกัดถ้ า, าสวดคนเดียวแต่ถ้าสวดกับคนอื่นเขามีกฎเนี่ยเมเป็นเรา ไปเป็นเขาเมื่อไรทำแบบ น, นี้แต่ว่าเราสวดถึงใครสวดถึงตัวเราเองแล้วสวดถึงคนอื่นเราให้เปลี่ยนตัวนี้เวลาเราให้พรคนอื่นเราก็ว่าแต่ให้พรเจอเราเรากว่าเมย์ทำแนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะันไเไี่จะถูอว่าเป็นเลาเมื่อจานาันด้านราตรีแล้วไม่ เ, มเป็นศัพท์ศัพท์ทางบาลีถ้าทุกก็ไม่ทุกโกรธก็ไม่โกรธเกลียดก็ไม่เกลียดน่าจะชาติต่อไปไม่ต้องเกิดแล้วใช่ไหมครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอโอกาสครับเราบริการพุทโธพุทโธแล้วเอาจิตไปจาะที่ท้องพองยุบได้ไหมครับไม่ต้องไม่จำเป็นให้อยู่กับพุทโธก็เยี่ยมจะสบายกว่ายัง่ายกว่าแต่จะทําก็ได้น้องอยู่ที่ท้องด้วยพุทโธไปด้วยก็ได้ที่เขายุบเนาะท้องเ น, นาะเวลาท้องยุบก็ยุบเวลาท้องผองก็ว่า เวลาเดินจงกรมเดินเท้าเปล่าหรือว่าใส่รองเท้าสิ่งไหนถูกต้องครับอาจารย์ได้ทั้งสองอย่างไม่มีข้อความตัดตัวเวลาที่ใส่บาตรถือเป็นปาติบุคลิกทานคือการให้แบบเจาะจงไม่ถือว่าเป็นสังฆทานใช่ไหมครับยกเว้นบางวัดเช่นวัดป่าบ้านตาที่ขอพระพิทบาทได้มาถือเป็นของสงฆ์ครับใช่ครับแต่วัดถ้าวัดใมืองนี้เนนขาจะให้ตัวใครตัวเงน ออกไปเป็นธบานได้อาหารมากล้วเอาเกลับไปชั้นที่กติตามลำพังแต่ถ้าเป็นวัดป่านี่จะให้ชั้นโดมกันออกไปเป็นธบานอาหารที่ได้มานี้ไม่ให้ใครเจ็บไว้เป็นชนตัวให้เอามาแบ่งกันที่ศาลาเอามาแจากจ่ายกันที่ศ า, าลาหนุ่เครียดเรื่องมดดำตัวเล็กไม่ทราบว่าเวลาพระท่านรดน้ำต้นไม้ที่วัดก็น่าจะมีมดบางส่วนจมน้ำตายแม้ไม่เจตนาแบบนี้บาปไหมครับ เราควรใช้ปัญญาอย่างไรไม่ปลูกต้นไม้ไม่กล้าลดน้าต้นไม้ครับน่าเป็นภาพไปท่านจะไม่มีการปลูกต้นไม้ไม่มเม่ใช้เวลามาลดน้าต้นไม้กัน่าเวลาไปภาวนานีกว่านะถ้าคนแวดล้อมเราคอยแต่จะจับผิดเห็นแก่ตัวกับเราเราจะวางใจและปฏิบัติตัวกับเขาอย่างไรครับนี่เราเป็นต้นเรื่องปกติของโลก มีสรรเสริญมีเนินธาเป็นธรรมดาบางคนก็สรรเสริญเราบางคนกว่าลราเราห้ามเขาไม่ได้บางคนเขาไม่ได้ก็ต้องปล่ายให้เขาทําตามเรื่องของเขาไปเราอย่าไปทุกข์ทุกน้อยกับขเขาก็แลกันเราก็เฉยเไปนั่งสมาธิแล้วจุดสติอ่อนตกผวังเลยทําอย่างไรจึงจะรักษาสติให้ต่อเนื่องจริงๆครับก็ต้องอย่าหยุดพุดโทโธถ้าใช้พุโทโธ ถ้าดูรมก็ต้องยืนยงองตลาดเวลาอย่ยอายทิ้งกรรมฐานถ้าไม่ทิ้งกรรมฐานแล้วสติจะไม่อ่อนผู้ที่สอบผ่านระดับปัญญาได้แล้วปัญญาตัวนี้จะเสื่อมได้ไหมครับหรือว่าผู้ปฏิบัติต้องเจริญปัญญาต่อไปครับปัญญาถ้ามีปัญญาแั้วจะไม่เสื่อม เวลานั่งภาวนาหรือเดินจงกรมก็ภาวนาพุโทโธแต่เหมือนมีอีกจิตที่ไปคิดถึงเรื่องอื่นๆครับแต่รู้ตัวก็มาพุโทโธเร็วๆขึ้นเพื่อให้สติกลับมาครับกลับขอคําแนะนําครับคือเบื้องต้นความคิดมันหนึ่ง ต, ต้องขคินอยู่เพราะมันมีหนาแนงมากเราไม่ต้องไปสนใจกับความคิดก็้วกันให้สนใจอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วต่อไปความคิดก็จะเบาลงเบาลงก็หายแต่ในที่สุด มีคนมากลั่นแกล้งเราเราปลูกต้นไม้ก็เอายามาใส่ให้ตายเราจะสวดมนต์บทไหนดีครับสสเสร็จเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราอยอมรับกรรมเวรของเาไปเราเป็นเวรกรรมของเราที่กิดมาชาติก่อนเราเคยอาจจะไมเคยทอะไรเขามาชาตนี้ก็าเลยต้องมาทํากรรมทาใจใชหมยอมรับยอมหยุดเย็นยอมรับกรรมแล้วก็หยุดต่อต้านแล้วใจเราก็จะเย็น นั่งสมาธิโดยกําหนดที่ลมหายใจเข้าออกจนติดสงบแล้วเกิดอาการดับไปสักพักแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาต้องการนั่งสมาธิต่อไปแต่ไม่สามารถทําได้เกิดอาการฟุง้งมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานๆครับเราจลาจลสติให้มากกว่า น, นี้ต้องพยายามจลาจลสติในระหว่างวันให้มากขึ้นนะ มีลูกดื้อครับทุกมากจะปล่อยวางตัดใจก็ไม่ได้ทุกเหลือเกินครับอาจารย์น้องเรียกว่าเป็นเหมือนผลไม้ ก, ก, ก็ได้เขาเป็นส้มอยากไปย้ายก็เป็นกล้วยที่ทุกคนเราไปย้ายก็เป็นกล้วยแต่เขาเป็นส้มเขาดื้อแต่เราอยากให้เขาไม่ดื้อมันก็เลยทุกข์ไงแต่ถ้าเราอยาอมรับเขาดื้อมันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นตัวของเขาตัวตนของเขาเกิดความดื้อ ถ้ายอมรบความเดีของเขาได้เราก็ไม่ทุกข์ของเขาเราไม่ช่วยคนที่ทําไม่ดีกับเราได้ไหมครับมันเป็นบาปไหมครับไม่บาปเพียแต่ว่าเราไม่ได้บุญนะถ้าเราช่วยคนที่เขาไล่กับเราได้เนี่ยเราได้บุญมากกว่าทาบุญกับคนที่เขาดีกับเราเพราะต้องใช้กําลังมากใช้สติมากที่จะบังคับตัวเราให้ไปทํำในในสิ่งที่เราไม่อยากจะทําแต่ถ้ า, าทําได้เนี่ยมันถือว่า น่ามีจิตใจที่เข้มแข็งมากระหว่างเดินจงกรมมีสติอยู่กับร่างกายขยับหยุดนิ่งและการหายใจเข้าออกบางครั้งเห็นการเกิดและดับของเวทนากับสังขารควรดูการเกิดดับนั้นไหมครับหรือควรกําหนดอยู่ที่กายเท่านั้นครับกายอย่างเดียวอย่าไปแม้แต่ลมก็อย่าไปดูอยู่ที่การเดินอย่างเดียวก็พอถ้าเราต้องการจเจริญสติ หนูได้นาวัวที่พ่อเลี้ยงไปบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบื้อเนื่องจากว่าพ่อป่วยเป็นสตโตรกกระทันหันทําให้ไม่มีคนเลี้ยงทีนี้วัวที่นําไปบริจาคเขาแก่มากแล้วแล้วก็บอกว่าวันนี้คนรับบริจาคแจ้งมาว่าวัวตัวนั้นตายแล้วเขาเหมือนตรอมใจคิดถึงเจ้าของหนูจะทํายังไงดีครับจะทําบุญส่งถึงเขาไหมครับก็ได้นถ้าอยากจะส่งบุญให้เขาก็ทําบุญทิ้งไปให้เขาก็ได้ เวลาเข้าห้องน้ําแล้วเอาธรรมะเข้าไปเปิดฟังด้วยนี้บาปไหมครับถ้าทําแบบใส่หูฟังไม่มีใครรูุ้งเราไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปเปิดฟัง เ, เป็นเสียงคนเขาขคนไหนเขาได้ยินก็อาจจะว่าเราไม่มีไม่มีมมความเคารพในธรรมแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมนี่มายอยู่ในห้องน้ําเราต้องพิจารณาธรรมพิจารณาอุจลาร์ที่เราถ่ายออกมาว่ามันก็เป็นอาหารกับพิจารณาเพ่อที่เราจะได้อมาใช้แก้เวลาที่เรา เราโลกอยากจะกินอะไรมากๆแล้วบอกเนี่ยอาหารที่เราคิดว่าอรอ่อยๆน่ากินนี่ในที่สุดมันก็กลายเป็นอุจจารนี่เองอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วถ้ามันอยู่ในใจเราแล้วเราสามารถปฏิบัติได้ทุกทุกคนทุกแห่งทุกสถานที่อาจารย์ครับเรื่องบวัวเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นบาปแทนบุญหรือไม่ครับเขาเสียใจมากเลยครับ มันไม่เกี่ยวกันหรอมันก็เขาถึงเวลาที่เขาจะต้องตายนั้นมั็นเ่องของกรรมแที่เราไม่ได้ไปทําร้ายเขาทํำให้เขาตายกาพระอาจารย์นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราว่าพวกขมเรอย่างนี้บาปไม่ครับคือไม่ชอบเขาเลยครับคือการเกลียดชังมันไม่ดีการว่าไปว่าเขาไม่ดีวาจาวาจาไม่ดีวาจาไม่สุภาพเนี่ย มันจะกกาไล่ร่วงเหมือนนะให้ไ ล, ล่รนะ่วงเนะหมือนนะี่มันไม่ดีคนที่ไม่มีเพื่อนเลยอยู่ตัวคนเดียวจะให้วางใจอย่างไรดีครับก็ให้อยู่กับความสงบนะถ้าถูกเตินั่นสมาธิได้จะมีความสมมมุขมากยังไม่อยากอยู่ออกับใครที่เราอยู่ของเราคนเดียวมันตั้งแต่บวชนะนี่ไม่อยู่ออกับใครเลยเเพอเสร็จภารกิจแล้วกับเข้าปกติเราอยู่คนเดียวมาตลอด มีความสุขจะตายไป ม, มันเดียวเนี่ยถ้าใจสงบแล้วมันไม่เหงาถ้ามันไม่สงบนี่มันจะเหงามันจะหวาดเวทเพราะความอยากการที่เราอยากสร้างเจดีต่างๆทางธรรมถือว่าเรามีความโลภหรือไม่ครับมันเป็นความอยากทำบุญ น, นี้เธอเป็นบุญไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกิเลส อยากทำบุญนี่ทำไปเลยทำให้หมดหน้าตา ก, าก็ไม่เป็นกิเลสเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งหากตอนจะขาดใจแล้วจิตยึดพุโทโธไว้จะไปสู่สุขติไหมครับน้าจกบุญกบารที่เราทำไว้อันใดมีมากเหมืนกัน เอกกัคตาเป็นเสมือนเครื่องมือที่ทําให้วิปัสสนาเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราทําการเจริญทั้งสองควบคู่กันไปเป็นหนทางสู่การดับกิเลสได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมครับทําเอางานไม่ได้ถ้ารทำใจมันอย่างนี้มันเป็นสติเป็นสมาธิถ้าจะวิปัสสนานใจต้องคิดคิดถึงนั้นดีคิดถึงปัจจุบนันคิดถึงอนาคตมันมันไม่ใช่เป็นงานทับพอๆกันมันผัดกสลับมันทำได้อยู่ ไม่ทำพร้อมกันพระโสดาบันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะจําได้ไหมว่าชาติที่แล้วได้โสดาบันแล้วจะจําได้ว่าเป็นโสดาบนช่วงอายุเท่าไหร่ครับคือการเป็นโสดาบันถ้าเขาไม่ได้ศึกษาคณิตแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สอนเขาก็จะไม่รู้คําว่าโสดาบันนี้เป็นยังไงแต่เขาจะรู้ความเป็นคำเป็นโสดาบันชุนค่ะว่าเขาไม่กลัวตาย อันนี้เขาก็จะเราเกิดเราเกิดแช่งหน้าเขาก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเป็นต้นศาสตราจารย์หลวงพ่อครับที่ใช้น้ํามะพร้าวล้างหน้าศพก่อนเผาอย่างนี้หมายถึงอะไรครับก็เป็นการเป็นการชำระศพนะหรืออาน้ําให้ให้ศพก่อนก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก่อนที่จเผาทิา้งไปไม่มีอะไรไม่มีชำราอะไร ถ้าขี้หลงที่ลืมนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะดีขึ้นได้ครับต้องมีสติทําอะไรเราให้มีสติอยู่แล้วเราก็จะจําได้ถ้าเราทําแบบไม่มีสติเรากำลังกาลังกินอะไรอยู่แต่เราไม่ได้คิดถึงว่าเรากำลังกินอะไรอยู่พอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่านี้กินอะไรไปจเจริญปัญญาควรจ ะ, จ ะ, จะเจริญตอนไหนครับ นอกจากที่ได้สมาธิก่อนต้องมีสติก่อนมีสติแล้ น, นั่งสมาธิให้จิตชำนาญทางสมาธิก่อนแล้วอยไปเจอิญทางปงาัญญาเวลานั่งสมาธิถ้าใจว่างจะเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่คืออะไรครับมันก็ก็ให้รู้ว่าเป็นอะไจจำเปน่งนองไม่เทียม เป็นสภาวะธรรมอย่างนึง่ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยมันไปมันอยู่ก็ปล่อยมันอยู่มันไปก็ปล่อยมันไปอาจารย์ครับเวลาเกิดเรื่องที่ไม่ไม่ทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้อง น, นึกไปว่าเป็นดินฟ้าอากาศอย่างนี้พระอาจารย์สอนแล้วมันเบาไปอย่างนี้ก็คือเป็นการเจริญปัญญาใช่ไหมครับเป็นการเจริญปัญญาพิจารณาว่าเป็นสภาวะธรรม เป็นหน้าตาไม่เหมือนตัวตนแต่สิ่งนี้เราควบคุมแต่สิ่งที่เราควบคุมบางครับไม่ได้ที่เราทุกข์เพาเราอยากจะไปควบคุมบางครับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเรารพอเราหยุดความอยากนี้ได้เราก็ไม่ทุกข์กับเขาครับที่อย่างนี้มันก็เบาไปเยอะเลยครับพระอาจารย์อืก็ก็เลยจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าอย่างนี้เราใช้วิธีนี้กับกับการแบบทำพุทโธพุทโธ มันคนละ อ, อย่างเลยไงถ้าพูดถอยก็หยุดความคิดความคิดที่อยากจะให้หยุดความคิดคําอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปลตาความต้องการของเร า, าเราใช้พุดถอหยุดมันใจเราก็บาบขึ้นมาได้แล้วมั่นเป็นอุบายของสติแารที่เราใช้มองว่ามันเป็นดินฟ้าอากาศเนี่เราใช้อุบายของปัญญาอนตัตตาเราการเป็นจริงเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นเป็นธรรมชาติเป็นภาวะธรรธรรมชาติ เป็นสรารวัตธรรมไม่มีตัวตนไม่มีใครควบคุมบังคับได้คืนอหน้าตาเราใช้สัพเพตมาหน้าตาเวลาที่เรามองว่าทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าก่ะอนัอนนี้จะยังย่งยืนกว่านั่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันต่อไปแต่ถ้าใช้พุโทโธเราอยู่พุโทโธเราว่าจะกลับมายึดม า, มาแบบมาทุกข์เอาได้ ถ้าเราไม่รู้จักทางปงัญญาใช้ปัญญาให้เป็นแล้วเราต้ใช้สติไปก่อนสติมันง่ายกว่าผมรู้สึกว่าใช้ความรู้สึกว่าเป็นดินฟ้าอากาศแล้วเราง่ายกว่าพุทโธเนี่ยครับอาจารย์แสดงว่าเราเข้าใจหลักของปงัญญาเข้าใจหลักธรรมะธรเมเบ昙มานันตตาทุกอย่างมันเป็นนี่นะสามารถใช้กับทุกเรื่อ ง, งได้มดเลไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามถ้ามองว่าเป็นดินฟ้าอากาศท่านั้นมันก็จบ นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธตั้งจิตไว้ที่ปลายจมูกดูลมที่ผ่านเข้าออกพร้อมบริกรรมพุทโธแบบนี้ถูกไหมครับคือความจริงจะใช้อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้พุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องดูลมก็ได้หรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้หรืจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ดูลมไปด้วยเลาพุทโธไปด้วยก็ได้ ก่อนจะนั่งสมาธิจะต้องสวดมนต์ก่อนไหมครับแล้วแต่ว่าเกศเราสามารถนั่งสมาธิแบบที่ไม่ต้องไม่สามารถดูลมได้หรือผุดโถดได้นะก็ไม่ต้องสวดมนต์แต่ถ้าเราดูลมไม่ได้ใจยังฟุ้งยังคิดถึงเรื่องนั้นนี่อยู่เราอาจจะต้องใช้การสวด ม, มนต์หยุดความฟุ้งซ่านของใจก่แล้วค่อยมันกลาความฟุ้งซ่านมันหายไปแล้วค่อยกลับมาดูลมต่อ เราจะใช้เกณฑ์พิจารณาว่าพระที่มีลูกศิษย์เยอะสามารถเข้าไปกราบท่านได้ยากมากนอกจากต้องมีลูกศิษย์ที่สนิทท่านพาไปกราบเป็นเกณฑ์ว่าเป็นพระอริยะได้ไหมครับข่าวพระเยอะและสับส น, นครับไม่ได้พระสายนี้มีหลายแบบพระเสร็จพระป่าก็มีลูกศิษย์เยอะพระแจกวัตถุมงคลก็มีลูกศิษย์เยอะพระแจกน้ำมนต์ก็มีลูกศิษย์เยอะให้มันแล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจหรอก สิ่งนี่เราสนใจคือว่าถ้าเราต้องการธรรมะก็ถ้ามีธรรมะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่านั่นก็เป็นเกณฑ์วัดพระวิธีคำสอนของท่านความทราของท่านาทำให้จิตเราหายทุกหายสมง่ายหรือไม่นั่งสมาธิท้องพุทโธจนลมหายใจตื้นมาที่ปลายจมูกแล้วลมดับเกิดสว่างแสงสว่างขึ้นมาแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับ พอใจนิ่ใจไม่คิดอะไรก็กอยู่กับความนิ่งไปถ้ายังไม่นิ่งยังคิดตรงนั้นเรื่นี้อยู่ก็ต้องพุทต่อไปทําไมเวลาไปนั่งฟังธรรมที่พระอาจารย์กําลังแสดงถึงเกิดอาการปิติสงบแบบไม่ต้องนั่งสมาธิหรือแค่บางทีเห็นหน้าพระอาจารย์ก็รู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเหมือนพระอาจารย์มีกระแสพลังออกมาเป็นตลอดที่ไปกาบพระอาจารย์ครับอามันเป็นนักอุปถัมภ์ของเรามากเลยยินดียิ่ง ยึดกับคนนั้นคนนี้ ย, ยึกับบรรยากาศอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ไปสัมผัสกับคนนั้นคนนี้เนี่ยหรืบรรยากาศอย่านั้นบรรยากาศอ่อนน้มนขึ้นมาเกิดปฏิย า, ยาขึ้นมาเท่านี้ไม่ใช่กระแสของใครมันสแกมันกระแสของใจเราเองการจเจริญสติในชีวิตประจําวันมีวิธีทําอย่างไรครับก็เนี่ยอย่างที่พูดพอเริตเาา่ตากขึ้นมาเตื่นขึ้นมาก็ดูร่างกายไปเข้าดูร่างกาย นั่งกายอยู่ในท่าไหนก็ต้องรู้ว่ากำลังอยู่ในท่านไหนกําลังนอนก็รู้กลังนอนกาลังลุกขึ้นมานั่งก็รู้กำลังลุกขึ้นนั่งกําลังเยืนกำลังเดินกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายทั้งวันไปเลยขอโอกาสครับเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วรู้สึกว่าวุ่นวายเลยถือศีลแปดอยู่บ้านเพราะที่บ้านสงบอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ไหมครับได้ที่ไหนที่ไม่สงบมันก็ไม่ถือว่าเป็นวัด มันความว่าความบมายของวัดก็คือสถานที่สมงบถ้าไปอยู่ไปอยู่วัดที่เขาไม่มีการก่อสร้างหรือมีพิธีกรรมอะไรต่างๆนี่มันก็จะไม่สมบต้องหาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติทําใจอย่างไรให้ยอมรับความจริงครับก็ต้องสอนความจริงให้กับใจไปเรื่อยๆให้ราเกินมาแล้ ว, ลวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดบ่อยๆคิดทั้งวันทั้งคืน แลต่อไปใจเราก็จะค่อยๆยอมรับได้แต่ยังอาจจะไม่ได้รับได้ทั้ง 100% เพระาะในใจเรายังมีกิเลสที่ไม่ยอมรับวิธีจะทำให้ใจเรารับได้ถึงนอกจากการพร้อมสอนใจหรือเราก็ต้องทำสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบไห้ได้ถ้าใจนิ่งสงบนั้นตัวกิเลสที่ต่อต้านไม่ยอมรับอวามจริก็จะไม่มีกําลังเราก็จะสามารถรับความจริงได้อย่างเต็มที่ จำเป็นต้องเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิไหมครับหรือว่าสวดพุทธคุณแล้วนั่งได้เลยครับการเดินจงกรมนี่เป็นเป็นขั้นตอนผู้ที่เขาปฏิบัติทั้งวันนั้งคือถ้านั่งมานานแล้วมั่งมัม่งมอ่ยครับอะไรนึขึ้นมาเดินแต่ถ้าเรานั่งแค่ครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนีงไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้มัเป็นการเปรลี่ยนระยะผลยังไม่หยุดการปฏิบัติเนี่ยเราอยู่ในท่านั่งแล้วก็จงรัสติตพอเราลุกขึ้นมาเดินเราก็ แล้ว้องมาจริญสติแต่เราต้องเป็นเรียรบหเพราะว่ า, น, านั่งไปนาน้มันด้วยทนไม่ไห ว, วก็ต้องขะบเลยแต่ถ้าเรานั่งเปี้นาทีสิบนาทีหรือคึงชั่วโมงก็ไม่จะเป็นจะต้องเด้แต่สิ่งที่ยังเป็นจะต้องมีก็คือจรลญสติมาทั้งวันก่อนการเจริญปัญญาคือรู้ทันจิตว่าจิตไหลไปคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับไื่ใช่ให้รู้ว่า สิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นอนิจจังทุกขังอนันตตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปเกี่ยวข้องกับภรรยาสามีก็ต้องพิจารณาว่าเขาไม่เ ไ, ไม่เที่ยงวัในใดวันหนึ่งเขาอาจจะจางลงไปก็ได้หรือเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ น, นี่คือปัญญาหนูไว้ผมยาวเพื่อเตรียมบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการใช้วิก หนูเคยบริจาคแบบนี้แล้วทีหนึ่งตอนเห็นวิกผมที่ทอขึ้นแล้วมีผู้ป่วยนําไปใช้จริงๆหนูมีความสุขใจมากแต่แบบนี้แท้จริงแล้วหนูได้บุญหรือรไม่ครับก็เป็นการทําทานอย่างเป็นการบริจาคเลือดแล้วก็บริจาคเส้นผมไปตอนนั่งสมาธิเกิดความรู้สึกเวทนาโปวดขามากต้องทําอย่างไรคิดถึงพุทธโธอยู่นาน ใจยิ่งเจ็บขึ้นครับก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปสนใจเรืออาการเจ็บถ้านั่อยู่กับพุโทโธไม่ได้มัวแต่ไปคิดถึงความเจ็บมันก็จะยิ่งเจ็บขึ้นมาใหญ่ต้องลืมความเจ็บไปเลยให้อยู่กับพุโทโธเองอย่างเดียวนี่จะทําทให้ใจนิ่งตั้งใจไม่ทุกข์กับความเจ็บได้สวดมนต์เสร็จเวลานั่งสมาธิใจสบายทําไมมีน้ําตาไหลครับ เขาเรียกว่าอาการปิติอาการปิติมด้ก็ขนลูกมันได้ก็รำคาญหลายเบื่อชีวิตลูกวัยรุ่นไม่ได้ดั่งใจอยากจะลาออกจากงานไปใช้ชีวิตลำพังสงบใช้ชีวิตเรียบง่ายได้ไหมครับก็คุณต้องตัดสินใจเองเลไม่รู้ของคนพิธีรถน้ำศพจำเป็นต้องทำไหมครับ ไม่ต้องแต่ถ้าเป็นทําเนียมแล้มันยากก่อนการที่เราจะไปขัดขืนยิ่งถ้าคนว่าทำกันว่าทำไปตามประเพณีตามธรรมเนียมนี้ไปมันจิตน่าไม่วนวายถ้าเราไปทําขัดประเพณีธรรมเนียมแล้วเดี๋ยวก็กายเป็นเรื่องดึ้อมาขอเมตตาและกําลังใจจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมฝึกสติฝึกสมาธิภาวนาครับฉันคิดว่าเราจะลดพ้นอยากความทุกข์ได้ทั้ หลุดพ้นด้วยความเพียนไปอย่างยามพยายามปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ ม, มากๆกิเลสตัวไหนที่เรากําจัดออกยากที่สุดแล้วให้ปฏิบัติอย่างไรให้หลุดพ้นได้ครับกิเลสทุกตัวมันยากฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเลือกเจอตัวไหนก็เอามันก่อนเลแล้วเลือกมันไม่ได้เราไม่มีช้อยเราไม่มีก็เราเปลี่ยเข้าสอบได้ข้อสอบอันนี้เราทําให้ได้รับเปลี่ยน วเป็นนอกรีตตัวไหนมาเราก็ต้องกำจัดมันให้ได้สามีเสียชีวิตสี่ปีลูกไม่มาหาหรือโทรหาเลยครับให้ทำใจอย่างไรดีครับก็เข้าไปนะ้เคยนั่งสมาธิที่วัดทั้งวันสลับกับเดินจงกรมรู้สึกสงบมากไม่อยากมาใช้ชีวิตข้างนอกเลยรู้สึกว่าอยู่วัดดีกว่า แต่เราต้องทําใจออกมาใช้ชีวิตประจําวันนอกวัดครับก็พยายามกลับไปบ่อยๆกลับไปจนกระทั่งเราสามารถอยู่ในวัดได้เราก็ไว้เรากลับมาอยากเอาชนะความโกรธครับต้องทําอย่างไรครับก็อย่าไปอยากความโกรธก็จากความอยากของเราอยากให้ได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมา อาจใช้ความสัมเดิลยินดีตามีทามเคยแล้วจะไม่โกรธสริษัทกว๋วยเตี๋ยวแล้วข้าเข้าวผัดมาให้เราก็ไม่โกรธยินดีก๋วยเตี๋ยวก็ไดเข้าวผัดก็ได้เอามาใหม่กินสองจานเลยก็ไล <laughs> ้วลองขอใหม่ มีคนบอกว่าสิ่งที่เราเจอสามีทําร้ายใจเราในชาตินี้คือสิ่งที่เราเคยทําร้ายใจเขาไว้ในอดีตชาติแบบนี้จริงไหมครับก็เ ป, เป็นไปได้เราเคยทำร้ารไว้กับใครมันก็จะกลับมาหาเราทํากรรมใดไว้ไม่ไว่าจะดีและไม่ดีมันก็จะต้องกลับมาหาเราฆ่าเขาเราก็ต้องอจจะต้องกลับมาถูกให้เขาฆ่าเรา ตอนนี้พระอาจารย์ตอบคำถามได้ครบหมดเลยครับพระอาจารย์ครับเหลืออีกเจ็ดนาทีนะครับแล้วนอนก็ได้แล้วคุณหมอมีอะไรจะถามก็ได้ครับเขาอุบายชนะความกลัวในที่มืดครับหลวงพ่อจะใช้ความกล้าหรือความสงบสู้ครับได้ใดถึงเวลาเราหลับเสียเวลาเราหลับแล้วก็ปิดไฟไม่ได้เวลานอนไม่มีกลัวเลยไม่มีหลับในที่มืดไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าน่ากลัวเราจะนอนไม่หลับเครับ อาจารย์ครับสมมติว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบความทุจริตแล้วเราก็เจอความทุจริตแล้วเราก็เอานําความพิจารณ์ให้ให้ตัดสินได้ยังไงครับอาจารย์อ่อย่างงี้มันก็ก่อเวรกับค น, คนใช่ไหมคนที่คนที่เขาถูกขัดประโยชน์เนได้รับโทษเขาก็ต้องกดคาเกลียดความธรรมดาถ้าเราอยู่ในทางโลกมันจะทำไงได้ถ้าเรามีหน้าที่ต้องทำเราก็ต้องทําไป ไม่แเราก็เปลี่ยนหน้าที่ใหม่อย่าไปทาหน้าที่แบบนี้เป็นหมอแล้ดีที่สุดแล้วมีแต่คุณประโยชน์ อ, <laughs> อย่าเลยเป็นนักการเมืองเลยขอบพระเจ้า <laughs> เป็นนักการเมืองไม่ไปเป็นตำรวจเนีย่ยมันเป็นการไปสร้างเมืองสร้างกลำให้คนเหนื่อยแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ก็ตามมันก็เป็นการสร้างเมือนท่างกำให้ให้กันก็เราจะมีมีเจ้ากรรมอะไรเลยมาจ้องมืองจ้องกัำเราตอบไปได้ แต่ถ้าเป็นหมอเป็นพระในี่ยมักจะไม่ค่อมีเวรมีกรรมอะไรเพราะมีใจเมตตากรุณาทําได้สิ่งที่ดีทําได้สิ่งที่เนี่ยก็ประโยชน์กับพูดพระอาจารย์เคยกลัวผีไหมครับแค่ว่ากลัวไม่กลัวแต่เคยอนเคยยู่ <c oughs> ยที่ปี๋แล้วมีได้ยินเสียงก็แกล้งก็แก๊้งอะไรก็ได้สติสวดมนต์ไปเลยแล้วก็สวด มาสวดไปสัก พ, พักเสียงนั่นมันก็หายไปแล้วก็หลับไปแล้วก็นอนหลับไปนะงงมดจะนอนแล้วก็มีเสียงนั่งเข้าแค๊กเข้าแค๊กให้เสียงอะไรวะเราคิดถึงสวดคนดีกว่าสวดม <c oughs> าสักพักหนึงก็หลับไปเสียงนั่นก็หายไปครับที่ที่ที่อาจารย์ไปทะเลชายทะเลด้วยไหมครับอาจารย์ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่อ๋อตอนเป็นเด็ก<ม>ครับเด็กๆจำไม่ได้ว่ า, ปาไปอยู่ที่ไหนแต่ไม่อยู่ที่มัน ท, ที่แปลกที่เนี่ยพอได้ยินเสียงก็เกิดความกลัวขึ้นมาครับ <Okay. S 1> แล้วสมัยเด็กๆยังยห้อยพระเลยงมีห้อยพระอยู่ครับ <Okay. S 1> แต่พอมาเรื่องภาวนาแล้วพระมันหายไปไหาไม่ไ้ไม่ได้ห้อยอีกต่อไปครับ <Okay. S 1> ได้ธรรมะที่จะสามารถกำจัดความกลัวได้ก็เลยไม่ต้องใช้พระไม่มต้องคอยพระอีต่อ ผู้ปฏิบัติธรรมยังฝันไม่ครับและขณะฝันจะมีความรู้สึกตัวไหมครับว่าตัวเองกําลังฝันครับแล้วในระดับนี้เราก็ควบการฝันไม่ได้มันมากฝันน้อยก็อยู่ที่ว่าปฏิบัติธรรมจิตสงบมากสงบน้อยนะครับรที่ยังไม่ฝันใดไม่ควรจะเป็นไปไม่ได้เพราะได้ข่าวว่าน้องตาหาวัวถ้านก็ยังเล่าว่าท่านก็เคยฝันตันนี้คาถามมาเต็มเลยครับอาจารย์ <laughs> โดนลูกด่าครับแต่ลูกยังอยู่ในความรับผิดชอบของเราจะทําอย่างไรดีครับเราคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะว่ากันคิดว่าเขาเป็นเจ้านายเนระแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนรับใช้ดูไม่ใช่นะเลี้ยงเขาอย่างดีพาเข้าไปโรงเรียนรับส่งเข้าไปนุ่นมานี่รับใช้ก็อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเราตัวเรานี่เป็นคนรับใช้เขาในการที่จะให้เขาดา่าเราเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติ นั่งสมาธิตอนไหนเหมาะสมที่สุดครับตอนที่นั่งได้ตอนไหนนั่งได้ก็ น, นั่งไปเลยงัวจะหาเวลานี่มันจะเยี่ยมยากนะเนี่ตอนนี้ก็ไปบอกตอนนี้ก็ไปบอกเวลานี้ก็ไปบอก <laughs> ถ้าเราไม่อยากกลับมาเกิดอีกจะต้องทําอย่างไรครับตัดกิดเลสให้หมดไปจากใจตัดความอยากให้หมดไปน้บความอยาก ไปบวชแล้วก็ไม่ไม่หาความสุขจากความอยากต่างๆผีมีจริงไหมครับอาจารย์ผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีจริงก็คือดวงวิญญาณของพวกเรากุกคนพอร่างกายเราตายไปใจเราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณแใจเราก็จะไปเกิดทันทีไปเกิดพบในครูไหนก็แล้วแต่ใจพวกนี้จะไม่มีเวลามาหลอกเราแ ต, แต่แต่ผีที่มาหลอกเราคือใจเราคิดปรุงแต่งไปเอง แน่นอนที่เราไปอยู่ที่ไหนงเงียบๆคนเดียวพอได้ยินเสียองอ็แค่โขกผีมาแล้วอันนี้เ่อผีหรอผีไม่จริงผีหรอเป็นผีไม่จริงผีจริงไม่มจะไม่จะไม่หรอสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเราทําบุญให้เขาชาติต่อไปเราจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันอีกไหมครับก็ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนอาจจะเจอกันก็ได้อาจจะไม่เจอกันก็ได้ การปฏิบัติธรรมซ้ำๆจะเป็นโรคย้ำคิดย้รทมไหมครับไม่นะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติซ้าๆอย่างเดียวอย่าว่าหลังถึงขั้นปัญญาเราจะคิดไต่ตามด้วยเหตุด้วยอาจจะเป็นคนชลาดฉลาดในหลวงพระเจ้าอาทิตย์ที่แล้วที่ทำงานมีแต่เรื่องปุ้ยก็มีความผิดหวังโกรธแต่เข้าใจว่ามันก็เป็นไปตามนั้นไม่เคยผิดหวัง เข้าใจพอเริ่มเข้าใจมากขึ้นเลยรู้สึกเฉยเฉยได้ความสงบและความเข้าใจในที่สุดครับอลองให้ฟังอลองไปเชื่ อ, อ, อว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกนี้มันก็มีเรื่องวุ่นวายตลอดนะฮพรุ่งนี้หนูจะไปถือศีลปฏิบัติเดี่ยวที่วัดยา น, นะครับแล้ววันอังคารจะเข้าไปฟังธรรมหน้ากุฏิครับพระอาจารย์ อ, อยังดีตามนะหมายครับพระอาจารย์ครับ บอกว่าหลานสามขวบเป็นมะเร็งสมองเพราะเขาทํากรรมมาก่อนหรือครับแล้วเราจะทําใจอย่างไรให้ครับเขาติดเตียงครับก็เป็นเรื่องของกรรมบ้างเป็นเรื่องของความไม่ปกติของร่างกายของบ้างมันก็มีเหตุหลายปัจจัยแต่ก็มองภาพรวมมาทุกคนก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันทุกคนชาดูแนวเท่านั้นที่ต่างกันเขอาอกาดครับพระอาจารย์ครับ ว <c oughs> ันนี้มีเพื่อนชมในเฟซ558ในยู580ในขับ8ในติกตอก439นะครับรวม 1,585 คนครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาิกา28นาทีครับพระอาจารย์ตอบไป109คำถามนะครับพระอาจารย์โอเคก็ยินดีที่ได้มีโอกาสได้สนรนาธรรมกับท่านังว่าคงจะเป็นประโยชน์มากไม่บากั้นน้อย สำหรับการสนทนาธรรมในคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทุกท่องสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยงขึ้นไปเทาน้สาธุแล้วก็ขอลาผู้หลงและท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์นหน้า ออขอจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ